ควางไว้ข้างหน้าลำพูอยากลำพูขึ้นไหมคือง่วงก็คือไม่ปล่อยให้ง่วงจนกระปองแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ได้คําแนะนําจากพระอาจารย์ก็ตอนนนที่สดวันวันบ่ายวันที่สี่เป็นต้นมาก็ดีขึ้นเยอะความง่วงมานิดเดียวก็รู้ตัวแล้วก็จัดการกับความง่วงได้พอความง่วงน้อยลงเอจิตก็ตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกตัว เป็นชัดขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นแต่ความง่วงก็ยังยังไม่หมดทีเดียวแต่ก็สามารถจัดการได้ทุกครั้งนนก็กฟุงสร้าง้นเออยมจัดการได้ดีกว่าความง่วง <c oughs> <c oughs> ฟุงร้านเพราะว่าความง่วงนี้คือคือรู้รู้ว่ามันมาแลา้วเราจะพยายามเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนอะไรบางครั้งจะช่วยได้บางครั้งก็ไม่ได้ แต่ความฟุง้งซ่านเนี่ยพอทราบแล้วมันก็ดับไปได้มันก็เปลี่ยนไดมันมาใหม่แล้วก็มันก็ดับใหม่สำหรั บ, บ, บยอมยอมเข้าใจว่ายอมรู้สึกว่าเอ่อความฟุง้งซ่านเนี่ยน่าจะจัดการง่ายกว่าความง่วงไม่ทราบว่เป็นอย่างนั้นคนอื่นจริงจริงหรือเปล่าแซวก็ทุกขนาไอ้ทุกเวทนาก็มีอะค่ะแต่ว่นาน้อย ไม่ทราบคือเออเวลาไปปฏิบัติคอร์สเอืน่นเนี่ยนะคะวันๆพอพอหมดวันเราจะสุสหูเหนื่อยล้ามากปวดเมื่อยไปหมดแทบจะล้มนอนเวลวเข้าห้องแต่มาที่นี่ไม่เป็นเลยเมื่อยก็ไม่เมื่อยมากนิดหน่อย อ, อ, อืมก็อาจจะว่าคือปฏิบัติแล้วสมาธิดีขึ้นมันก็จะเบาตัวไม่ค่อยเมื่อยแล้วก็อากาศ ใช่ไหมการจัดการรเวนาได้ถูกต้องอ่าเวนานเาย่มักรการที่ดีเวนาเราอมนว่อจะปก็ที่ตัวอารมณ์ูนที่ก็ก็คือ ก็ยังความคิดนะความฟุ้งซ่านอะไที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็ก็รับรู้ได้เร็วส่วนใหญ่จะเร็วนะคะแต่ว่าต้องมีบางครั้งก็เออคิดไปสักพักหนึ่งถึงจะรู้ตัวก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเข้ามาปับป้บๆก็จ ะ, จ, ะจัดการได้ ภาพโดยรวมยอมคิดว่ามาปฏิบัติครั้งนี้ทำให้ออจิตเนี่ยฝึกจิตให้ตั้งมัน่นมีความชานาญในการฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้ดีขึ้นคุณคที่คิาเป็นสติสัมปใคนั้นนนนนี่เข้าใจได้นพยายามความรู้สึกวที่เป็นสติสัมปะในคสอนามเข้าใจสภาวะที่เป็นจริงๆของมันได้ไห ก็ออกรหบายถึงความรู้สึกตัวใช่ไหมคะค่ะโยมมีโยมโยมรู้ตัวว่าตัวเองมีความรู้สึกตัวเ อ, อ่ยยาวนานขึ้นแต่ไม่ตลอดนะคะก็มีอย่า ง, ไงแบบเพอปับใเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมารู้สึกได้ค่ะค่นานานะ ก, ก, การนมัสการหนุงพ่อมาหานะเลยทีเล่พระจักรคุณกรีพระสงค์ทุกท่านและญาติธรรมทุกท่านค่ะการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ออตอนแรกก็จะมีความพุ่งสร้างคิดความคิดเข้ามาเรื่อย ๆ, ๆแต่พอตอนหลังพอเริ่มมีสติมากขึ้นสมาธิดีขึ้นก็จะเห็นความคิดเข้ามา แล้วก็ความคิดก็ออกไปความสุขความทุกข์ก็จะค่อยๆเข้ามาให้เห็นเม็ดเป็นอารมณ์ที่เราตอนแรกไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เห็นอารมณ์นี้แต่พอมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาเองเพื่อให้ดูว่าพอมันขึ้นมาแล้วมันก็หายไปบางครั้งมันจะมาหลายครั้งเอามาให้เราดูว่าเกิดอารมณ์แบบนี้เราเพียงแต่ดูเฉยๆแล้วกก็ไป เพียงแต่ว่าขอให้อยู่กับฐานไก่ให้มั่นคงก่อนสรุปแล้วเออคือได้แต่ดูเฉยๆแเจ้าค่ะได้แต่ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูไปตามนั้นแต่ว่าตอนแรกๆนี่ต้องพยายามมากเหมือนกันเพราะว่าสมาธิมันมันเกินต้องพยายามถอยออกมาโดยพระอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ ทำแบบไหนถึงสมาธิมันจะไม่ไม่ล้ำเกินไปเพื่อที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจชัดเจนขึ้นเจ้าค่ะคือมันจะเห็นไวขึ้นนะเจ้าค่ะเพราะว่าอย่างเวลา ตาเห็นรูปมันจะเห็นเลยว่าตือว่ากายสัมผัสเย็นร้อนอะไรเงี้ยมันจะมันจะเร็วขึ้นอย่างพอความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้สึกความร้อนที่เกิดขึ้นตาเห็นรูปอะไรอารมณ์มันตามมาติดๆเราก็จะดูตามนั้นแต่ถ้าพอเราสติมั่นคงเนี่ยมันจะตัดเร็วขึ้นแล้วมันก็จะวนเข้ามาให้ดูอีกเรื่อยๆค่ะ ความคิดปรุงแต่งเพียงแต่ว่าพอรู้แล้วก็กลับมาอยู่ฐานกายอย่างเดียวก็คือถ้าเผื่อเรอาเผลอไปเนี่ยนานๆเนี่ยนะจ๊าคะมันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเรานานมากขึ้นแล้วก็จะมีอยู่ในความคิดแต่ถ้าพอเรากลับมามีสติอยู่ที่ที่กายเนี่ย ความคิดความอะไรมันก็จะค่อยๆมันก็จะเราก็จะเห็นความคิดอันนั้นขึ้นมาแล้วมันก็อยู่เประกลับมาฐานกายความคิดมันก็จะตกไปบางทีมันก็ไม่ขาดนะเจ้าค่ะบางทีมันก็อยู่กับเรานานๆบางทีเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างอารมณ์อันนั้นนะเจ้าค่ะบางครั้งก็มีแต่ว่า รู้ว่ามันเอาออกไม่ได้มันก็ไม่ไปนะค่ะบางทีก็มาสักพักนึงแต่ถ้ามาอยู่กับชัดๆก็ขยับขยับตัวขยับไปขยับมาเจ้ค่ะคือเปลี่ยนอริยบทคือถ้าเผื่อมันอยู่จนทั่งเราบางทีมันติดมากอย่างอารมณ์หงุดหงิดหรือว่าอะไรที่มันฟุ้งซ่านเงี้ยที่มันแบบเอาไม่ออกเนี้ยมันเราก็ต้องเปลี่ยนอริยบทช่วยเจ้ค่ะ เอออย่างยังเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยเจ้าค่ะเห็นความร้อนเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็หายไปอ่ะเจ้าค่ะหรือว่าอารมณ์ต่างๆเช่นดีใจเสียใจอย่างเงี้ยนะหรืเจ้าค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันมันก็ตกไปอะเจ้าค่ะ บางทีมันก็อยู่นานเจ้าค่ะบางทีอยู่นานอย่างเสียใจอย่างเงี้ยบางทีก็อยู่นานแต่พอเรากลับมาอยู่ฐานกายทันทีมันก็มันก็ค่อยมันก็หายไปอ่ะเจ้าค่ะไม่บางทีมันมีภาพอะไรเก่าเก่าขึ้นมาเจ้าคะ่ะมันไม่ได้เสียใจในอย่างเงี้ยมันมีภาพอะไรขึ้นมามันคือ <c oughs> อยู่ในความคิดไงเจ้าคะ่ะเกิดอดีตขึ้นมาพอขึ้นมาปุพพ๊บเนี่ยเรามีความเสียใจขึ้นมาพอรู้ว่าเสียใจปุ๊บเราก็อยู่ไปกับมาฐานกายมันก็ตัดไปเลยเจ้าค่ะ เจ้าค like ่ะแต่ทอตาสัมผัสนะจ๊ะบางที่จ้มองไปเห็นปุ๊บเนี่ยความคิดมันจะปลุงขึ้นมาตามมาติดๆเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่ค่ะอืม เด็กค่ะตอนนั้ต่อไปเวลาอิิแตหรือปาข้เนี่ยแที่จะปไปินเที่ยวไปถึงอยู่ด้ไปที่ออภาวะนนก่บาที่าจัดราคเลยจะหาดมถึงต้องนึกช่วยเหรอเจ้าค่ะอในเราถึงนาาอารมณ์ลทีัาทุกอย่างนี้ยนรอยอย่างัา ถ้าเราีวนการการี่จมีการอารมณ์แงอารมณ์นเด้ร่าค่ะราคันต้นู้สว่าไม่้ถูกตตัวมันเนมันไม่ยเลย เห็นความปวดเมื <interpret ations> or, on, ่อยหรือร้อนอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็เห็นชัดแล้วก็ดูอันนั้นดูว่าใจถ้าเพว่เราอยากเปลี่ยนตอนแรกใจมันเข้ามาที่ใจว่าใจไม่ชอบใจอยากเปลี่ยนก็ถ้าถ้าเห็นว่าดูสักพักนึงอยากดูเช้ค่ะแต่เสร็จแล้วเราอยากเปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนนะเจค่ะ <ME> ししแต่บางทีมันก็เปลี่ยนเจ้าค่ะบางทีร้อนมากๆเดี๋ยวก็พอมีลมโชยมันมันก็เปลี่ยนเป็นเย็นนะเจ้าค่ะพระนุณเจ้าพราหมณการสรประจาย์ทุกท่านนะคะและเพื่อนๆทุกคนชื่อจริงชื่อปัิิชาค่ะ ป่ปานอ น, นอนเนสระอีชอช้างสระอาค่ะพรเก็บอารมณ์เที่ยวนี้มาก็ความรู้สึกตัวก็จะชัดขึ้นมากแล้วก็ที่ผ่านมาโยมชอบเดินคู่ไปกับความคิดแต่ครั้งนี้ได้พระอาจารย์คมเกตกับพระอาจารย์อมนแนะนำให้โยมก็เลย ก็คลิกแล้วก็เดินออกมาจากความคิดได้มากทีเดียวก็บอกตัวเองว่าอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวอย่างเดียวก็ก็ไม่สนใจเขาแต่ในการเดินก็ไม่ค่อยมีเรื่องฟุ้งซ่านมากแล้วก็เรื่องคิดก็น้อยค่ะก็จะได้ได้เรื่องได้วันเดียวเมื่อวันที่ห้าค่ะวันอาทิตย์พอปฏิบัติเสร็จก็ไปนอนอาบน้ํานอน นอนตอนพักอะค่ะทีนี้พอนอนเราแบบพอดีมันเนี่ยโยไม่โยไม่เคยปวดขามาก่อนแต่พอมาที่เนี่ยตั้ง อ, อนหนึ่งสองสามสี่โยปวดขามากนั่งพเพียบก็ไม่ได้มีปัญหามากโยก็มันก็ปวดข้างเดียวก็มันก็ไม่ถึงกระุนแรงทีนี้วันนั้นที่พักก็นอน พอนอนลงไปเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าทําไมมันปวดจนน้ําตาไหลได้เลยเราไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันก็หยดออกมาจะปวดมันปวดมันตัวเองจะระเบิดออกมาเลยอย่าปวดทําไมเท้ามันเหมือนบวมเหมือนตัวเราบวมแล้วมันก็จะที่เขาเรียกว่ามันจะปวดระเบิดออกมาเป็นเสี่ยงๆโยมก็รู้สึกว่าแค่มาปฏิบัติแค่เนี้ยมันทําไมอาการถึงรุนแรงได้ขนาดนี้แล้วก็นอนคิดไปแป๊บหนึ่งก็ได้เห็นเวทนาที่เป็นสตินะคะก็คือมันเหมือนกระจก ถ้าไม่มันกระจกบันผับมันมันค่อยเลื่อยๆออกมาค่ะก็เห็นตัวเองอ่ะเห็นความปวดแล้วก็เหมือนเราเป็นผู้ดูจริงๆแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกรุนแรงที่ปวดนั้นมันมันเข้าใจเลยว่าโอ้ที่เขาบอกว่าเปิดอะไรนะปวดจนระเบิดออกมาเป็นเสี่ยงๆเป็นยังไงซึ่งในการการะทําที่เราปฏิบัติมันมันไม่น่ามีผลถึงขนาดนั้นแต่พอตอนที่เราช่วงที่เราเห็นตัว เ, เองปวดโดยเราเป็นผู้ดู ก็ก็ดูเขาแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอผู้ไม่เป็นผู้เป็นเป็นผู้ดูแล้วก็คิดว่าก็หลับเลยอะค่ะอาจารย์ประมาณสักไม่ถึงหกโมงโยมก็หลับไปเลยจนถึงเช้าตื่นขึ้นมาโยมก็ไม่กล้าลงจากเตียงเพราะว่ายังจําความปวดเมื่อคืนนี้ได้เพราะว่ามันเหมือนเท้าบวมแล้วก็มีน้ำอะค่ะโยมก็ค่อยๆเอาเท้าเนี้ยแตะที่พื้นเพราะกลัวว่ามันจะเจ็บมากพอแตะแล้วมันก็เดินได้ก็เลยค่อยๆเดินแล้วก็ ถ้าไมจิตใจเราแจ่มใสนะแล้วเราก็ไม่ไม่เจ็บปวดเท่าก่อนเราหลับมาค่ะแล้วก็จะลอยร้าวของร่างกายที่เหมือนปวดหมดเนี่ยมันยังคงอยู่ค่ะมันอยู่ทั้งตัวบางๆหมดเลยมันมันเหมือนคือพอปวดสุดขีดแล้วรอยมันยังทิ้งร่องลอยแห่งความปวดไว้แต่ว่ามันก็จางๆแต่ก็แจ่มใสมากแล้วก็ไม่ง่วงแม้แต่นาทีเดียวเลยค่ะธรรมดายอมหลับทุกวันนะคะตอนเดินมีช่วงที่หลับมีมีเมื่อวัน เวันจันทร์เมื่อวันนี้ที่ที่ไม่หลับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากเดินอยากเก็บอารมณ์อยู่คนเดียวไม่อยากลงมาข้างล่างโยมก็เลยเดินอยู่บนห้องโยมค่ะก็เดินทั้งวันไม่เคยมีเลยค่ะที่ปวดนี่เพิ่งมาเป็นที่นะคะอยู่ที่บ้านไม่ได้เป็นค่ะเพิ่งเพิ่งมาปรากฏมาตั้งแต่วันแรกก็เริ่มแป๊บ ก็เดินต่อไปไม่ได้ความเจ็บทั้งหมดเนี่ยมาเกิดที่นี่นะคะก่อนมาไม่มีค่ะโอ้โหจะมันปวดอย่างรุนแรงแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นความปวดนะคะที่เราไม่ปวดที่ที่เราไม่ได้เป็นนะคะพระจันทร์มันเหมือนกระจกเลื่อนในความรู้สึกโยมอะเออ <c oughs> เห็นตัวเองเห็นความรู้สึกที่ปวดจะแตกระเบิดออกมาเป็นเสียเส่ยงแล้วนะแต่เรามองแล้วเราตัวเราเราไม่ปวดก็เลยทำให้โยมเนี่ยมีกําลังใจมากเลยว่า สงสัยตอนตายคงจะปวดแบบนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราฝึกสติแล้วก็จะต้องฝึกมากกว่านี้อีกเยอะๆเลยค่ะใช่ค่ะ <c oughs> โอ้คราวนี้มันเห็นชัดมากะคะ่ะอาจารย์แล้วก็โยมไม่เคยตื่นธรรมดาอยู่บ้านไม่ได้ทำงานละโยมก็ตื่นสักเจ็ดแปดโมงประมาณนั้ น, นะคะ่ะแต่ต่อไปนี้โยมจะตื่นทำเองถ้าตีสี่แล้วค่ะไม่ต้องมีใครบังคับ <c oughs> กลัวมากเลยค่ะ <c oughs> อยากอยากให้วาระสุดท้าย รู้แล้วแหละว่าเราน่าจะป่วยขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะพ้นไปได้ด้วยด้วยความรู้สึกตัวที่ที่เราเราเจอก่อนที่เราจะหลับไปที่ขายที่น้องโอันนั้นเหมือนกับเห็นทั้งหมดแล้วก็เป็นความขยะแขยงสุดขีดนั้น ตอนที่เกิดตอนนั้นค่ะ กับเขากาศหลวงพ่อพระอาจารย์คมกริพระสงฆ์ทุกรูปแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านคะ่ะกเ็เก็บอารมณ์คราวนี้ก็ดีนะคะได้สถานที่คือได้สถานที่ค่อนข้างวิเวกก็ไดเ้เก็บอารมณ์ได้ภาวนาคนเดียวทุกวันนะคะก็ดีอาหารกเ็เอื้อต่อการภาวนาคะ่ะ ก็ช่วงเช้าเช้าส่วนมากจะได้อารมณ์เกือบทุกเช้าเลยช่วงบ่ายจะมีง่วงบ้างฟุ้งบ้างเข้ามาค่ะก็กลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวเกือบทุกครั้งค่ะ ส่นคิดยาวนี้จะมีบ้างจะเป็นช่วงบ่ายเนี่ยคะ่ะแต่ว่าช่วงบางทีมันก็มันก็จะต่อกันคือมันจะไม่ขาดอะคะ่ะมันรู้สึกว่าสติมันจะอ่อนกําลังช่วงนั้นก็แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยนะคะก็ไม่ค่อยกลับมาเรื่องเดิมๆมาค่ะก็กลับมาที่รู้สึกตัวมันก็ขาดไป ก็ถ้ามันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยก็ขยับนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็หนูก็รู้ว่ามันเมื่อยคะ่ะหนูก็เห็นมันว่ามันปวด <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> ทุกครั้งค่ะรอบปวดแล้วก็ขยับ จะนั่งนานๆให้มันปวดมากๆอย่างเงี้ยค่ะเคยทำเราเราแบบหนูรู้สึกว่ามันคราวนั้นมันรักษานานนะคะคราวนี้เราก็เลยไม่เอาเอาค่ะค่ะค่ะหนูสักการณ์ จาย์ทุกๆรูปนะคะแล้วก็เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติทำด้วยกันนะคะเ อ, อมาปฏิบัติครั้งนี้ก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมจะต้องยกมือด้วยหายใจนี่มันน่าจะง่ายกว่าก็สลับยกมือกลับมาหายใจกลับมาสลับยกมือหายใจจนกระทั่งวันวันที่สองที่สามเนี่ง่วงมาก คือไม่เคยนั่งแล้วหลับไปเลยเนี่ยไม่เคยเลยก็วันที่สองที่สามก็นั่งแล้วหลับไปเลยแล้วพ่ออาจารย์คงเคยก็เดินมาบอกว่าตื่นได้แล้วก็ย่างนึงเอ้ยเพิ่งหลับไปเดี๋ยวนี้เองทำไมพ่ออาจารย์เดินมาเร็วจังก็ <c oughs> <c oughs> แต่พอหลังจากนะั้นพ่อจักว่าให้คุมสติให้ได้ก็ทําตามทุกอย่างนะคะเพราะวันที่สี่ปับ๊บก็ไม่เคยง่วงเลยจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อที่ ที่ท่านให้ยกมือเนี่ยเพราะว่าถ้าเราคุม14จังหวะรวมไปถึง28ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพียาบทย่อยในชีวิตเราเนี่ยเราจะคุมได้ตลอดแต่มันคงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นก็คิดว่าต่อไปก็คงจะต้องพยายามฝึกให้มากกว่า น, นี้ร่หายใจนี่เราเผอแล้วเราไม่รู้ตัวไงคะมันหลุดง่าย แต่ว่าเคลื่อนไหวแบบนี้ถ้าเราคุมได้หมดสิบสี่จังหวะได้ทุกจุดได้ทั้งเคลื่อนไปถึงจุดแล้จากจุดหนึ่งเคลื่อนไปอีกจุดหนึ่งถ้าเราได้จังหวะแบบนั้นในชีวิตประจําวันมันจะมันจะทําให้เราคุมยาบทย่อยได้ง่ายกว่าอะไรนะม่เข้าใจ ก็มีนะก็มีฮก็ค่อนข้างถีง่มันแล้วแต่ว่าช่วงไหนปฏิบัติเยอะก็โหได้ถี่เลยได้ตลอดเลยได้ยาวๆเป็นชั่วโมงด้วยก็เละก็มัมวือมันจะได้ตรงแบบมีอะไรที่อิมแพคปึ๊กขึ้นมามันก็จะสูดลมหายใจทันทีแบบโมโหหรือเกิดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสูดลมหายใจทัทีไม่งั้นก็เลเหมือนกัน ใช่ก็บางทีก็ทันคือว่าปึ๊ก็สูดหายใจปุ๊บก็พอดีก็คสาตไใาต่ท่ไมส่ดตใ้ีทคิดว่าจะไปทำต่อนะคะคิดว่าจะไปทำต่อเพราะคิดว่าถ้าเราคุม14ได้แล้วยืดไปถึง28แบบท่านว่าได้เนี่ยการคุมปริยาบท ทั้งวันเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่ามันจะหลุดน้อยกว่าลองแล้วเมื่อเช้าก็ก็พยายามจะไปให้เกินยี่สิบแปดด้วยซ้ำมันก็เลยแบบจะลอยลอยไปเลย ม่อมเป็นคนไม่ค่อยคิดนะคะไม่ไม่คิดมากคือพอพอคิดปุ๊บเนี่ยจะช่วงแรกพอคิดปุ๊บหายใจก่อนเลยเพราะตอนระวังเนี่ยมันมันกลับมาที่ movement ไม่ได้เพราะมันไม่เคยไงแต่พอมันจะง่ายกว่าตอนเดินคือตอนเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้เพเพราะว่าพุทพราะพุทโธในเวลาเดินจะเดินแบบเดียวกันคือคือจะอยู่ใน movement ของขาตลอดเพราะเราจะรู้สึกว่าขามันจะค่อยค่อ ย, อยเลื่อนค่อยคเ ค, ค, คลื่อนอะไรเงี้ย รู้สึกตลอดแต่ก็พอมีอะไรปั๊บมันจะกลับ ม, มาที่ลมก่อนโลอะไรนะกับทริปตาอ๋อก็บทริปตาถี่กว่าไม่นะไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ไม่เคยลองก็ที <c oughs> <c oughs> มนักรการหลวงพ่อสุริพรค่ะมนักรกาาหลวงพ่อพระอาจารย์ทุกท่านไม่ชีแล้วะเพื่อนทุกคนนะคะคราวนี้นะคะก็โยมก็ง่วงง่วงมากเลยค่ะ แบบปฏิบัติสามวันแรกเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรแต่ก็ออพอหลังจากนั้นที่คุณก๊อฟมาแนะนำนะคะว่าให้เดินมากกว่าก็ดีขึ้นแล้วก็ได้ได้ได้เห็นเวทนาเออเวทนาที่เห็นนะคะมันเหมือนกับเหมือนกับมันจับได้เหมือนกับ มันไม่จับแล้วมันไม่ปวดแบบตอนแรกมันปวดนะคะแล้วเราก็ดูดูไปอย่างเมื่อเช้านะคะแบบจับเอ๊ะมันทําไมไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันเจ็บเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นแล้วก็ไม่ง่วงค่ะ <c oughs> ก็ไม่ทราบตอนตอนแรกนะคะแบบตอนที่พอให้เดินบอกให้เดินมากๆะคะ่ะ พอเดินไปนี่เหมือนคนเมาเลยค่ะเหมือนจะเซปั๊ดปัป๊ดปั๊อะไรเงี้ยเดินเดินมันก็จะเซ่เซ่ก็พยายามเดินแล้วมันก็หายไปเองโดยที่แบบหายไปโดยที่ไม่ยมไม่ได้ตั้งตัวว่ามันหายไปได้ไงกลับไป น, นึกอีกทีก็ยังนึกไม่ออกว่ามันหายไปแล้วก็อย่างวันนี้ก็ไม่ง่วงนั่งก็ไม่ ง, วง่งงวงค่ะ ทุกทีสามวันแรกนะคะนั่งแล้วก็หลับขนาดตอนเช้าตื่นขึ้นมามีังติดนะคะทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงเองนะคะไปโยคะกับพระอาจารย์รี <c oughs> เกือบจะหัวทิ่มลงไป <c oughs> จริงค่ะยังว่ามันมันวืดลงไปเลยเองแต่ไม่พอพอั้งสติขึ้นไม่ได้ง่วงไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ง่วงอะไรแบบนั้น แล้วก็เวลาเวลาเดินนี่ก็จะมีอารมณ์แบบวูบวูบร้อนร้อนร้อนแบบสู้ขึ้นมาแล้วก็จะหายไปเองแล้วก็เอ่อกระพริบตาจะรู้สึกตลอดเวลาเลยค่ะแบบคือน้ําลายมันก็ยังดังดังกึ๊กกึ๊กึ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะชัดก็แป๊ดหนึ่งเคยค่ะค่ะเคยเคยไปที่ วัดป่าแล้วก็มีมีวัดป่าสุขโตค่ะค่ะแล้วก็เจรเจริญก็เจริญสติได้ดีแล้วก็แต่ก็หยุดไปก็สองปีกว่าไม่ได้ไปแต่มาคราวคราวนี้ก็แบบถึงเห็นเวทนามากแต่ก็พยายามแบบดูนะคะพยายามมองแต่ก็ ออตอนแรกก็ทนแต่พระอาจารย์ผมจิดบอกว่าให้ขยับบ่อยๆให้ขยับตัวพลิกไปพลิกมาบ่อยๆแต่พอตอนหลังก็จะลองดูอย่างเมื่อเช้าเนี่ยดูมันมีความรู้สึกเราลองดูสิฮะก็จับดูเอ๊ะทำไมไมันมันชานะฮะมันชาหนักๆเฮ่แต่ทำไมไม่เจ็บไม่ไม่รู้สึกเข้ามาในแบบจิตใจว่าเราจับได้แต่เหมือก็เราเราดูเฉยๆว่ดูว่าดูความเจ็บแล้วมันก็หายไปเอง แล้วแบบก็เออค่ะก็ท่าไม่หาพี่ที่ดูเวทนาก็ดูเคยแบบดูจนแบบปวดแล้วมันก็ฟื้นขึ้นไปเลยแบบมันเหมือนขนลุกสู้แล้วก็ขึ้นผมตั้งขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกแบบนั้นฮะแล้วมันเหมือนมันออกหัวไปเลยอย่างเงี้ยดูเวทนาแบบอดทนดูจนแบบแบบว่าดูจนแบบจนสุดเลยอ่ะค่ะ แล้วก็ผกาตัดหลังๆก็จะปวดนิดปวดหน่อยชาหนักๆขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันก็หายไปเองแต่แต่มีวันเนี้ค่ะที่เมื่อเช้าเนี่ยที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่าเราจับแล้วเอ๊มันไม่มันเหมือนดูเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทําไมทำไมเราไม่เจ็บเข้าไปในนั้นได้แต่เราเป็นคนดูว่าเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้งค ย, ค, ยค่ะก็มากค่ะค่ะเพราะว่าสถานที่ดีด้วย เพืนทุกคนนะคะสังขารมันรู้สึกไม่ค่อยจะดี <c oughs> ก็เลยคือสังขารไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะมันต้องคอยหลบนูน่นหลบนี่อยู่เรื่อยๆก็มาเที่ยวนี้รู้สึกว่าก็ใจก็ว่างๆดีค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นทุกข์ <c oughs> ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ มันขาไม่ดีแขนข้างหลังอะไรปวดอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ค่ะอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้ <c oughs> เพราะมันยังยังนั่งไม่เหมือนคนอื่นเขาด้วยค่ะนั่งพื้นหนึ่งก็กระโดกกระเดกไม่ไม่เคยนั่งพื้นตั้งนานแล้วค่ะ อ๋อทามาก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องนะคะทำแล้วก็หยุดแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำค่ะแล้วก็มาปฏิบัติกับอาจารย์หมอพันทิพย์นะะเที่ยวนี้ก็รู้สึกโลง่ลงๆสบายขึ้นนะคะอากาศก็ดีสถานที่ดีคะ่ะไม่เยอะเท่านี้ค่ะอันนี้ทำแล้วค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าทาได้ พ่อแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะเคยมาแล้วค่ะปีที่แล้วแต่มาแค่สามวันแรกอะค่ะหลวงพ่อแล้วส่วนครั้งนี้ก็มาสามวันสุดท้ายค่ะมาต่อค่ะเพราะว่าปีที่แล้วยังไม่ครบคอสอะค่ะหลวงพ่อค่ะ <c oughs> ก็มาคราวนี้ก็ดีกว่าครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วแบบ ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากมายแต่ก็ได้หลวงพี่ก๊อฟเป็นผู้ให้คําแนะนําอีกแล้วอะค่ะเพราะว่าด้วยด้วยหน้าที่การงานเราเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่เป็นเป็นที่เป็นทางแล้วก็ความฟุ้งซ่านมันเยอะอะค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้พอได้มาปฏิบัติก็มีความรู้สึกว่าแยกแยะอารมณ์ตัวเองได้ถูกอย่างเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรมาข้างหน้าเนี่ย จะต้องแบบต้องเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นแต่พอมาได้ปฏิบัติเราก็ค่อยๆมองว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ไม่ใส่ใจมันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เครียดแล้วก็โ ล, งล่งอะค่ะอ๋อ ท, ที่มาต่อสาออมาวันเพื่อครบคอร์สใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋ออารมณ์พราะอยู่ที่บ้านเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่ไม่ได้ทิ้งไปเลยอะคะ่ะหนึ่งอาทิตย์อย่างที่ได้ กับเดียรหลวงพ่อไปว่าในหนึ่งอาทิตย์ก็ยังได้ปฏิบัติอยู่บ้างสัก2วันแต่ได้ในเรื่องของการสร้างจังหวะอ่ะค่ะก็พอมาครั้งนี้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปีหน้าก็มีวัดเจาะให้เต็มข้อดิบอ๋อได้ค่ะถ้ามีโอกาสมาอีกค่ะหลวงพ่อปีนหน้ามาเจาะ้ออีกค่ะมีเสน่ย์ค่ะคจะไปยงคูนพร ก็กราบนมันส ก, การหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วเพื่อนๆกระยานในบิทุกท่านนะคะค่ะก็ที่มาปฏิบัติครั้งนี้รู้สึกพัฒนาขึ้นจากเดิมเยอะค่ะเพราะจากเดิมก็เคยปฏิบัติมาบ้างแต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นทางที่มองหาอยู่ค่ะว่าแล้วยังไรเราจะไปสิ้นสุดที่ไหนแล้วต้องต้องเดินต่ อ, อยังไงค่ะแล้วก็เวลาทําเนี่ย สิบแปดท่าของที่พรอจารย์สอนเนี่ยแต่ก่อนเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่ามไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเจอจริงๆนะคะ ก็มัวแต่ไปนู่นนี่นั่นอยู่ทางนู้นทางนี้แต่พอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันแรกที่พระอาจารย์อมรใช่ไหมคะสอนให้ทําท่าเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้พอเข้ามาก็เห็นเขาทากันก็ไม่ทราบว่าทำยังไงก็ทําตามเข้าไปก็คงทําไม่ถูกต้องแล้วพอะอาจารย์สอนก็เริ่มทําแต่ทําก็ยังคงทําไม่ถูกอะค่ะมีสิบสี่ท่าใช่ไหมคะอ่า ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์อมอ น, นะคะที่มาเตือนสติว่าจริงๆถ้ท่าหายไปสองท่าแล้วพอทำครบท่าขึ้นมาจริงๆะคะ่ะก็รู้สึกดีแล้วรู้สึกลื่นไหลนะคะในการที่มีการจับตัวคำว่ารู้เนี่ยสัมผัสเนี่ยชัดเจนมากขึ้น แต่ก็เพิ่งเคยได้ยินหลวงพ่อพูดเมื่อเช้าวีก็มีทั้งหมด28ท่าจริงๆแล้วนะคะเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็คิดว่าตัวเองอะ่ะทําไมพระอาจารย์ตอนแรกก็ถามพระารราารอาจารย์คมกฤตรนะคะว่าเนี่ยจริงๆจะเวนอาจารย์อาการเคลื่อนนะยจะเวนอาจารย์อาการเคลื่อนต้องดูด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์บอกว่าให้ดูเฉพาะที่อย่างเงี้ยค่ะ14ท่าแต่ทีนี้ระหว่างที่ทำอ่ะคะ่ะก็จะเห็นทุกเคลื่อนอยู่ตลอดก็เลยไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรก็ทํา เห็นเห็นเท่าที่เห็นนะคะก็ก็เลยเลยรู้ว่าตัวเองทำยี่สปดท่าก็เลยแอบดีใจนิดนึงค่ะนะค ะ, นะ ค, ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกตัวดีดีดีมากค่ะเพราะว่าแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งรู้สึกชัดๆว่าเพิ่งรู้ถึงอาการนอนนะคะว่า ก็ตีมบอกก็ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมคะแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ยืนเดินนั่งแต่นอนเนี่ยไม่เคยสังเกตเลยแต่เมื่อคืนรู้สึกพอนอนลงไปเอ๊ะทำไมรู้ถึงอาการนอนนะคะก็โอเคค่ะ ก, ก็ก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงค่ะแล้วพอมาตอนเช้าปฏิบัติก็รู้สึกปฏิบัติได้ดีจริงๆปฏิบัติได้ดีตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าเจอคุณก๊อฟตอนเช้าอาจารย์ก๊อฟไปแล้วนะคะเพราะว่า ่ก่อนเนี่ยรู้สึกสติเนี่ยจะขาดเป็นช่วงๆเพราะว่าพอนั่งปุ๊บพอมื่อยเมื่ยขยับไม่กี่ทีก็ลุกเดินครึ่งชั่วโมงก็เดินเดินเสร็จกลับมานั่งคุณก๊อฟก็แนะนําบอกว่าทำไมไม่นั่งให้นานไปเลยทั้งเช้าเดินก็เดินไปเลยค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นเมื่อวานตอนเช้าก็เลยนั่งตรงใต้ต้นเ ม, น ม, นมนื่อวานหรือเมื่อวานเสาร์นะคะแหลาค่ะที่นั่งใต้ต้นไผ่อะคะ่ะก็ก็เลยรู้สึกปฏิบัติได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ชัดนะคะ รู้สึกการกระทบอะไรต่างๆก็ชัดเจนขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าจะหยิบ ล, ลูกบิดเท้ากระทบพื้นแปรงฟันค่ะแต่ระหว่างวันก็กกกเผลอเยอะค่ะแต่ว่าพ อ, พอรู้ตัวก็รู้สึกจับอะไรก็ชัดขึ้นค่ะอาจารย์ิงแล้วมี่าจังหวะม่ว่า่านค่ะแล้วงคือการกระทบกับการเคลื่อนนะคะ การเคลื่อนการหยุดอ่าใช่หยุดหยุดด้วยหยุดแล้วก็อ๋อไม่ใช่3าแล้วกระทบนี่เอาคือการหยุดค่ะอาจารย์ในการทำเนี่ยให้เราสามารถสูดได้ทั้งเสียงเติเต็มย่อแล้ก็พิสดารอ่ะค่ะค่ะ ่แลาค้าาเรามีเวลาที่จะดูรายละเอียดก็ไปดูในรยายละเ อ, อียดค้ไม่มีเวลาพอก็เอ า, าย่อมาอสั้นๆค<า>่ะได้คสสค<า>่ะ <tamb ahan. S 3> แล้วก็ที่พระอาจารย์มาแนะนำตอนเดินนะคะเ <ullah. S 2> พราะตอนแรกเนี่ยตอนที่เดินเองเนี่ยก็จำไม่ได้พระอาจารย์ท่านไหนบอกว่าให้จุก็เดินตามสบายใช่ไหมคะเห็นพระอาจารย์ บอกว่าให้ให้เดินแบบเอามือประสานไว้ข้างหน้านะคะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเหรอคะก็ก็เดินเอามือประสานไว้แต่พอเมื่อวันที่เดินนะคะก็มือประสานไว้ข้างหน้าเหมือนกันแต่ว่าคงเดินแบบช้าๆมั้งคะพ ร, ระอาจารย์ก็เลยมาบอกว่าให้เดินอย่างองค์อาจใช่ไหมคะให้เดินอย่างองค์อาจอ่านหานค่ะจีก็เลยที่เรียนถามพระอาจารย์ว่าแล้วมือต้องอยู่ยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าให้รู้อายตนะทั้ง6แล้วก็เดินไปอย่างธรรมชาติใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยสบายตัวมากเลยเพราะว่าปกติเวลาที่เคยฝึก เคลื่อนไหวของอาจารย์สุพวรรณกรีนที่เป็นเบสิกอะค่ะก็จะรู้ตัวก็ทุกอย่างก็เคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเดินแล้วชัดเจนขึ้นเยอะค่ะในการที่เราทําตัวสบายๆเห็นกระทบตรงไหนก็รู้ตรงนั้นค่ะหูหูได้ยินตรงไหนก็ตรงนั้นอาจจะชัดกว่าเท้าด้วยซ้ำนะตอนนั้นหรือว่าตาเห็นอะไรก็ก็ชัดตรงนั้นแต่พอเห็นปุ๊บคิดหรือเปล่าเห็นถ้าคิดก็อ่ะรู้แล้วคิดเพราะตาไปกระทบแล้วเผลอคิดตอนนั้นก็เท้าก็ไม่ชัดละอะไรประมาณนี้ก็เลยเดินดูเรื่อยๆก็เลยเดินได้ได้นาน งานพบพอเดินดูนู่นนี่นั่นสังเกตไปเรื่อยค่ะพอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์อ๋อค่ะอ๋อขอแถมนิดเดียวเรื่องแมลงวีค่ะพระอาจารย์แมลงหวีนี่เป็นศัตรูกับจิวมาตั้งแต่ที่วัดเกาะแล้วค่ะทีนี้เนี่ยได้บทเรียนจากแมลงหวี่แล้วจริงๆเลยค่ะเมื่อวานนี้ตอนที่นั่งอะค่ะเขาก็มาบินวนอีที่หูเหมือนเดิมตัวโตอะค่ะ แต่ที่ตานี่จุ่ก็เปียวบั้นกันแดดมาใส่เขาก็ไม่มาที่ตาละนะคะวิญญาช่วก็มาที่หูพรที่หูเนี่ยปกติเนี่ยจะเร็วมากใช้สัญชาตญาณนะคะปัดปุ๊บปัดปุ๊บอะค่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกทําที่ทําได้ดีๆมุกที่ทําได้ดีคนนั้นพอปัดปุ๊บเฮ้ยเห็นอาการปัดด้วยอะค่ะปัดแล้วแถมเหมือนเป็นภาพสโลโมชั่นด้วยนะคะว่าเฮ้ยเราเห็นอาการปัดนะแต่จริงจริงจู่รู้ตัวว่าจริงๆปัดเร็วนะคะ แต่มือนใจสั่งว่าปัดก็ปัดแล้วโสรอ่ะเห็นภาพตัวเองปัดค่ะแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยวนมาอีกค่ะจิวบอกว่าเรียนในใจว่าวนมาอีกวนมาอีกจะทดสอบอีกเขาก็ไม่มาอีกค่ะก็เลยว่าสงสัยเป็นบทเรียนเขาคงมาทดสอบได้อยู่ตั้งหลายวันค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สำนักมรรสการพระอาจารย์ทุกรูปนะครับแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะครับก็ พูดกันไปหมดละอ่ะพูดโอเคนะครับก็คือโดยปกติแล้วครับโดยชีวิตประจําวันคืออิจิเป็นคนฝึกการเคลื่อนไหวอยู่อยู่อยู่อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับเห็นก็เห็นก็รู้เดินก็รู้อยู่นะครับแต่ทีททนี้คือวันที่ได้มาปฏิัภ ร, รมที่นี่เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ที่เพียรพยายามโทรตามแม้กระทั่งก่อนจะกลับอเมริกาอีกหนึ่งวันก็ยังโทรบอกว่า แต่ในที่สุดธรรมาก็จัดสรรให้ได้มานะครับหลวงพิทักษ์ด้วยที่ได้ออกว่าจะต้องมีจัดที่นี่ก็เลยจะได้สุดท้ายก็จัดสรรเวลามาได้นะครับก็คือพอเราทํามาสิ่งหนึ่งที่เราได้รู้ครับถึงแม้ว่าเราจะทําอยู่ในชีวิตประจําวันในในแบบไม่มีรูปแบบอยู่แล้วเนี่ยแต่การที่เรากลับเข้ามาทําในรูปแบบเนี่ยมันก็เหมือนกับมีที่คอยหันของนะครับหันไปทุกวันทุกปัน มันก็ยังขาดของมันขาดอยู่เราอาจาจะไม่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คมแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้กลับมาทำในรูปแบบมันก็เหมือนกับเรากลับมารับสิ่งที่เราเคยรู้ก็จะรู้ได้ละเอียดมากขึ้นรู้ชัดมากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่ทำในชีวิตประจำวันคือเราเคลื่อนเราก็รู้ว่าเคลื่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเรากลับมาทาที่นี่จะกลับมาทาช้าๆ เราก็จะเห็นรายละเอียดปีกย่อยที่มันซ้อนเข้ามาซ้อนเข้ามานั่นก็หมายความว่าทําให้เราได้รู้ที่จะตัดผัสสะต่างๆที่เกิดคือทั้งความคิดที่เกิดมาจากความคิดความรู้สึกการก้าวเดินหรือจากความทรงจําต่างๆเพราะขณะที่เราทําในช่วงวันแรกๆนะครับชอบที่นี่มากตรงที่ว่าโดยปกติเวลาที่บอกให้เรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราเริ่มทําอย่างแรกคือบังคับทั้งกายบังคับทั้งใจทั้งๆที่จริงๆแล้ว จิตใจเราเป็นใจิตใจที่แบบสนุกสนานล่าเริงอยู่แล้วแต่พอว่าปฏิบัติปึ๊บ mm hmm. ก็จะเริ่มละเกรงทุกสิ่งทุกอย่างัางครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่นี่เริ่มเริ่มเหมือนกับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปล่อยให้ให้เราเริ่มได้เรียนรู้ตัวเราเองมีคนเคยบอกอีดว่าอิดเป็นคนที่สมาธิแรงกว่าสติก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจคําตอบแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่พอมาอยู่ที่นี่อีดรู้เลยว่าอ๋อเพราะว่ามันล้ําไปเพราะว่าเราตามไม่ทันพอเริ่ม ช่วงวันแรกที่เราทําเนี่ยโอ้โหง่วงนอนเดินนี่จะ เ, เดินแล้วก็คือจะหลับให้ได้ครับจะหลับทั้งทั้งที่ขนาดเดินแล้วก็ไปนั่งยกมือหลับครับหลับหลับทั้งแบบแวบบหนึ่งรู้เลยว่าหลับค้างไปเลยเ อ, อพระอาจารย์งคมกิจก็เดินมามาก็บอกก็อ่ะก็ลุกเดินอาจเดินเดินต่อพอพ้นจะพอเราเริ่มทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เ อ, อพระาอาจารย์ธมรท่านก็มาช่วยแก้ให้ ด้วยความเคยชินที่เราอ๋อเราดูเคลื่อนเราดูเคลื่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเคลื่อนไหวตามจังหวะมือเนี่ยเราก็ไม่เคยทํามาก่อนเราก็ยังคงใช้ เ, เป็นสัญชาตญาณในการดูกันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆทําให้ในช่วงแรกมันไม่ชัด หเห็นแต่ไม่ชัดไม่ไ ม, ไม่ไม่ทันในรายละเอียดนะครับแต่พอพระอาจารย์ท่านมาแก้เราก็ได้มาเริ่มลองทํำช้าๆเราก็จะเห็นกระบวนการทุกอย่างมันเยอะขึ้นนะครับมันก็พอมีความคิดเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็กลับมาฐานกายได้มากขึ้นนะครับภาษาอะไรเกิดขึ้นก็ตั ด, ต, ดตัดนะครับไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็จะไม่แช่อ ย, อยู่นานแต่ก็จะทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วในกระบวนการความคิดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความคิดเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆอาจจะเกิดมาจากความทรงจําในอดีตที่เราไม่ได้ไปคิดถึงมันหรอกอยู่ๆมันจะรู้อีกทีก็คือเราคิดเรื่องนั้นไปแล้วหรือไปแล้วไปเจอประสบการณ์อะไรที่ทําให้กลับไปย้อนมีความคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มทำละเอียดกําหนดละเอียดมากขึ้นเราก็จะเห็นกระบวนการเหล่านั้นมากขึ้นพร้อมทั้งเราก็จะรู้เลยว่ายิ่งฐานกายแน่นเท่าไหร่เราก็จะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้มากเท่านั้นนะครับยิ่งเห็นชัดที่สุดก็คือเมื่อเช้าเพราะว่า อิดจะเป็นค น, คนที่หลังจะเจ็บมานะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้ใครที่เห็นเห็นอีกเดินเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเดินขยับเดี๋ยวก็โยกไปตรงคือหลังจะเจ็บมากคือนั่งนั่งนานจะไม่ได้นะครับก็มันก็เลยต้องทําให้บําบัดอยู่แทบจะเรียกว่าสักพักสักพักแต่ก็มีช่วงไหนที่ไม่เกิดอาการก็จะดีมากๆก็จะนั่งได้นานหน่อยนะครับหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางครั้งความคิดที่เข้ามาทดสอบอะครับ มันเป็นความคิดหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเมื me, ่อเช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องงานที่อิดพยายามหาคําตอบมาเป็นอาทิตย Inform ์อาทิตย์แ <aded> ล <Spider> ้วหาคําตอบไม่ได้สักทีก็โดนล่อด้วยตัวเนี้ยครับมันถูกคิดออกมาเป็นฉากคือพยายามสลัดรู้แล้วว่าคิดก็ไม่หยุดทํำยังไงก็คือไม่หยุดเดินแรงแรงก็ยังไม่หยุดจนกระทั่งต้องแบบเดินแรงมากๆแล้วก็เดินอยู่นานมากจนกระทั่งเห็นว่าเขาหายไปแต่พอช่วงจังหวะที่เราดูไม่ได้แต่จังหวะที่เดินเท้ากระแทกไปแรงแรงเนี่ย พอยกปุ๊บเขาก็กลับมายกปุ๊บเขาก็กลับมาแล้วก็จะกลับมาเดี๋ยวก็ซ้ำเดี๋ยวก็ซ้ำจนกระทั่งเราอยู่กับฐานกายตรงเนี้จริงจริงจริงจงจนกระทั่งมันมันหายแล้วมันก็หายไปฮะแต่ถ้ากลับไปคิดไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไว้แล้วกันครับผมก็เพราะฉะนั้นก็เลยรู้เลยครับว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรากลับไปทําในชีวิตประจําวันแล้ว่เราควรจะ มีเวลากลับมาทำในรูปแบบบ้างถึงเราก็กลับมาเป็นระยะ ย, วยาวแบบนี้บ้างอย่างน้อยคือการที่เรามาเจอครูบาอาจารย์มาเจอกัลยาณมิตรเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้เลยว่าจะพัฒนาไปอีกไปอีกในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับครับผมก็ประมาณนั้น เดี๋ยวจะข้ามตรงนี้ไปเดี๋ยวจะอจําประเด็นกันไม่ได้คือในช่วง <c oughs> ความคิดอย่างที่เรบบอกแล้วมันมีสามสามช่วงนะความคิดที่ว่ามันคือที่คุณอีกบอกว่าเม่่อ้วาาพรรไูความคิดที่มาที่ไหนก็มันรู้มาจากสัญญาความจําอดีตหรือเปล่านีเขาบอมันมาซึ่งได้บอกว่าความคิดมีสามลักษณะลักษณะที่มันมาเองไปเองเนี่ยนะอันที่หนึ่ง ลักษณะไหนก็เลือกทำมารมณ์หรือว่าจิตไรสํานึกที่มันทําหน้าที่ของเขามันมาไหลออกมาแล้วก็รับรู้ก็ผ่านไปอันที่สองคือตัวที่เราตั้งใจที่คิดอะไรบางอย่างที่คุณพยายามที่จัดการมันมันไม่ออกมาแลาวหลายเราควาจริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณต้องใช้มันนะะแต่นึกจากเนื่องจากมันไม่ใช่เวลานี้แต่ว่าออกไปได้ต้องไปทําเรื่องนี้เพราะนั่นนะลักษณะนี้เป็นความคิดที่เป็นสติปัญญาที่ที่มันเราคิดไว้หลายรอบแล้วแต่มันไม่เสร็จ มันจะกลับให้เรามารีวิวให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งแต่คุณก็พยายามที่จะไม่ไม่เข้าไปในมันแต่ความจริงมันก็คือเรื่องนี้เราคิดไปจนจบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องออกไปทำนะอันนี้ส่วนหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างเรื่องที่มันผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปนี่ก็เป็นตัวสมุทัยที่จะทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวโดยที่ไม่จาเป็นอันที่สองก็คือเรื่องการเรื่องงานที่รออยู่ข้างหน้าแล้วที่ออกไปทำเนี่ยบางครั้งเรก็เผื่อมาคิดก่อนตัท้งๆ ท, ท, ที่เราไม่รู้นะแต่ในกรณีที่มันเข้ามาแล้วคุณรู้ คุณจัดการกับมันได้มันเลิกไม่เป็นสังขารไงมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เรารู้เอความคิดที่เราแพลนไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนก็ถือว่ามีส่วนจําเป็นที่ต้องไปทําแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าเวลานี้ถึงอย่างไม่คิดเวลานี้มันก็ไม่จาเป็นแต่คุณเข้าไปยามตัดมันออกไปได้แต่ความคิดอีกส่วนหนึ่งก็คือที่คุณบอกว่ามันไม่รู้บาอย่างไรนะนั่นก็คือจิตได้สํานึกที่เราเก็บมันไว้แล้วตลอดแต่ว่าบางครั้งในเมื่อสติสมาธิมันมีกําลังอ่อนตัวนี้ก็จะขึ้นมาทําหน้าที่ของมันเรียกว่าทำมารมณ์ ดังความคิดจะมีสามลักษณะว่าเขาคิดที่เป็นธรรมารมคือความคิดที่มันเคยเก็บสังสมไว้แล้วเมื่อกำลังของสติสมาธิมันอ่อนตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเองอันนี้ก็ไม่มีปัญหามันเกิดเองดับเองอันที่สองคือความคิดที่มันเป็นการบป็นงานที่เราจะต้องทําเรียกว่าสติปัญญาอมันถึงจะคิดหรือมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่จําเป็นแล้วตัดมันได้ก็ถือว่าดีมันก็จะไม่กลายเป็นสังขารประเภทที่สามคือทั้งตัว ความคิดที่เป็นผ่านไปผ่านมาก็ดีความคิดวีเป็นสติปัญญาก็ดีถ้าเราจัดการมันไม่ได้ตรงนั้นมันก็กลายเป็นสังขารคิดยาวไปเลยแต่นี่คุณจัดการมาได้ก็โอเคนะเพราะฉะนั้นให้เห็นความคิดมีสามลักษณะอย่างเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นมาปับ๊บคุณอาจจะย้อนคิดนิดนึงเออมื่อกี้มาอ่างไรตัวนี้เราเผลอคิดไปหรือเปล่าหรื่องงานค้างเราทําให้เสร็จมันถึงเอามาคิดอีกแล้วก็สามารถหาต้นตอมันเจอแล้วก็ตัด บาทีเราเ้าจะตัดแต่ตั้งปลายมันมันไ ม, ไม่เสร็จทีทนึ่งพอย้อนไปดูต้นตอมานิดหนึ่งมาจากไหนก็ตัดตรงนั้นมันก็จะง่ายขึ้นนะอันนี้วิธีจัดการกับตัวความคิดที่ปรุงแต่งเข้าใจไหมโอเคเอาตัวไปยมพระกรมวลยมฤเนะี น้องกัานมัส ก, การหลวงพ่อและพระอาจารย์ทุกรูปและคุณแม่ชีแล้วก็หมูเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะเอ่อมาถึงวันแรกเนี่ยก็ถูกทดสอบเลยคือติดอารมณ์ทางด้านความคิดที่ไม่พอใจในหมู่เพื่อนบัตรท่านนะคะ ค, คือคือคิดเอาเอง แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันในวันแรกไม่รู้คิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่พอวันที่สองก็เริ่มหายไปต่อไปก็หายไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งขาดใจวันแรกนั้นคิดเกิดความคิดชนิดขึ้นมาก็เลยทําให้เกิดความคิดว่าการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้เที่ยวนี้รู้สึกว่าวันแรกมันมันไม่สนุกเลยอยากจะกลับบ้าน คิดถึงบ้านอยากจะกลับแ ต, แต่พอวันที่สองสามก็เริ่มหายไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วอาจจะไม่อยากกลับบ้านเลยก็ได้ เพ่งเชือนเพิมยังมีภาคสแล้วตอนนี้รู้สึกว่าสภาพจิตใจสภาพจิตก yes ็เข้มแข็งขึ้นปกติถ้าว่างไม่ได้ชอบปกติถ้าว่างก็จะชอบนอนไม่ว่าเวลาไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้จิตเข้มแข็งขึ้นไม่ไม่ไม่ยอมนอนเลยออกจากห้องทันทีอยู่ข้างนอกห้องแล้วก็ ปฏิบัติ แ, แล้วก็เห็นรูปมันทำมันมันทำอย่างไรขณะที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเห็นทั้งมือขวามันทำแล้วก็มือซ้ายก็ทำแล้วตัวเรานี้อยู่ตรงกลางเห็นมือขวาทำมือซ้ายทำสลับกันไปเมื่อเห็นรูปรูปทำแล้ว ถัดจากการเห็นลูกทําต่อมาก็ได้มารับทานอาหารขณะที่เอามือจับช้อนเนี้ยก็เห็นมือที่จับช้อนแล้วตักอาหารเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นภาพมือที่จับช้อนที่ค่อนข้างสว่างกว่าปะกะติทั่วไปถ้าปะกะติอย่างนี้ยังไม่สว่างแต่วันณเวลาตอนนั้นที่เห็นเนี้ยมันสว่างเจ้าค่ะแล้วขณะที่ตักก็ไปเอ่อตัดมะละกอรปรากฏว่ามันพลาด มันตกก็รับได้ทันสแสดงว่าสติเร็วขึ้นไวขึ้นปกติจะรับไม่ทันแล้วก็อะไรอีกละ่ะ ก, ก็ก็มีเท่านี้จิตความคิดมาเยอะไหมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะเจ้าค่ะส่วนมากจะคิดขึ้นเองชอบปรุงแต่งสนุกดี แต่ปุนแต่งเรื่องที่เป็นเป็นเป็นเรื่องสุขกเจ้าคที่นมาก็เยว่าขยะันเดียวกันน่แหละกขยดีเขาปล่อยมันแห้งเาแ่ไเจ้าแล้วก็ที่ว่าจิตเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบหรือได้ยินเสียงอะไรก็ก็ไม่ได้ไปอ่า แตกตื่นหรือไปอะไรกับเขาอย่างเช่นมีวันหนึ่งหลวงพ่อที่ให้หมู่เพื่อนดูต้นต้มปล่อยทุกคนก็เหตแตกตื่นกันหมดไปดูต้มปล่อยตามหลวงพ่อโดนหลวงพ่อท่านทดสอบอารมณ์นอกรูปแบบแล้วเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะคสาธุเจ้าค่ะ กะกาบนะน้ามาต ก, ก, การน่ะหลวงพ่อแล้วก็พิสุทุกลูกแล้วก็กระยาดมีทุกกานนะฮะ <S <S เออเที่ยวนี้ก็เฉยๆเนี่ะหลวงพ่อเขาไม่เห็นมีอะไรเลย <S <S เอ ม, นะมันก็มันก็เฉยนะฮะหมายถึงว่าถึงขณะนี้นะคะถึงวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจิตที่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราน่าจะจัดการมันได้ให้มันอยู่นิ่งๆนะฮะเพราะเมื่อก่อนนี้เออเราต้องเดินเยอะแยะอะไรเงี้ยก็เลยคิดต้องเปลี่ยนมาอยู่แบบเฉยๆมันอาจจะดี แต่พอเอนหลวงพ่อก็บอกว่าให้เราหัดทําให้ช้าลงก็คิดว่าก็คงเป็นบทเรียนอันหนึงหัดให้มีโยนิโสนะมั้โยนิโสมันอาจจะทําให้ดีขึ้นเพราะงั้นค่ะบางทีปกเสียก็ทาได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเพลินคนะะ่ะพอเพลินปั๊บมันก็ทําสนุกแล้วฮะมันก็จะไหลไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คิดว่าก็ลองลับมาอยู่ช้าๆก็คิดว่า จะลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสไตล์ใหม่นะคะว่ากลับไปอยู่ช้าๆแต่สำหรับตัวเองเนี่ยหลังจากก็จะบอกญาติธรรมนะว่าหลังจากที่มาปฏิบัติเนี่ยมันจะทํางานมากขึ้นนะฮะมันเหมือนคนบ้านค่ะแสดงว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยทําทั้งงานบ้านงานวัดงานลาดงานหลวงทันหมดเลยฮะก็เล ย, ย <laughs> บอกขยันที่ปกติน้องสาวบอกว่าทําไมเธอต้งออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วกลับมา ทุ่มสองทุ่มไม่รู้จักเหนื่อยมัง่งเหรก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะอย่างครั้งนี้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทดสอบอารมณ์ตัวเองเลยค่ะว่าเจ็บป่วยอยู่นะคะ<ง>คือว่าก่อนมาเนี่ยค่ะมันเกิดเจ็บคอนะคะเราก็คิดว่ามันต้องมีก้างติดคอแน่ๆเลยถ้ามาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ไม่เอาก้างตัวนี้ออกเนี่ยมันจะต้องติดอารมณ์แน่นอนนะก็ <S <S ไปหาหมอหมอใหญ่โตสองคนนะคะหาเท่าไหร่ก็ไม่ไเจอก้างเขาบอกไม่มีก้างเขาเขาบอกว่า เอายาปฏิชีวนะไปกินก็แล้วกันถ้ามีกล้างจริงเดี๋ยวมันก็จะเน่าออกไปเองพอตอนมาก็ไม่ได้เอายามานะคะเคยมาเจ็บคอจริงจริที่นี่เจบ็บรุนแรงมากอะ่ะก็เอ๊ะให้ทําไงดีนะเคยเฉยแปนะคะเพราะคิดว่าไม่มีอะไรแต่สิ่งที่รบกวนมากคือมันปวดท้องมากๆอะ่ะปวดท้องชนิดรุนแรงมากๆเลยแล้วก็มีอาการถ่ายท้องซึ่งแปลกนะฮะ คือถ้าว่ามันเป็นจากผิดจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีอาการของอุจราระที่ผิดปกติ ด, ด้วยปวดมากจนกระทั่งคิดว่าเอ๊สงสัยต้องทะลุแล้วล่ะเนี่ยเอ๊ถ้าทะลุนี่จะทำไงดีนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่เอถ้าทองทะลุนี่จะทาไงดีคงไม่ต้องทำอะไร <c oughs> ยาก็ไม่มี <c oughs> ทานไม่ได้เลยค่ะคุณกอ้อก็จะเอาแต่โห่หอมห้เอาโห่หอมให้เป็นถ้วยถ้ว ย, วยทีนี้ก็ไม่ได้บอกก็ก็นะฮะว่าจริงๆเนี่ยมันกินไม่ได้ค่ะเพราะมันปวดท้องแต่พยามลองเอาใจเขาหน่อยค่ะกินไปสักสองสาวันแล้วก็ไม่กินค่ะเพราะว่ามันยิ่งทําให้อาการยิ่งรุนแรงขึ้นก<ค>็แปลกใจว่าตัวเองอยู่ได้ยังไงค่ะมาถึงตซนวันนี้ค่ะว่าทําไมฉนันถึงทนอยู่ได้เพราะว่า ถ้ า, า, ากระเพาะมันทะลุจริงๆแล้วมันคงจะเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะอาการมันปวดมากๆมันมันค่อยๆดีขึ้นคนะ่ะคิดว่ามันคงจะเป็นไวรัสนะคะคงจะเป็นไวรัสซึ่งจากคอนะคะแล้วมันลงไปที่กระเพาะมันก็เลยทําให้เกิดการอักเสบแล้วมันค่อยๆหายตัวเอง คิดว่าตอนแรกก็คิดว่ากลับไปต้องไปตรวจตรวจแล้วนะคะ <S 2> <2> <S สองกล้องนะฮะตอนนี้ก็ต้องสองกล้องโอ้ยตรงไปสองกล้องเยอะเลยเนี่ยแล้วเคยถูกสองกล้องมาแล้วนะมันพรมาณมากก็ <S 2> <2> <S ここยังไม่ทราบกลับไปไปทําดีไหมค่ะไมต้องทำมันหาไปแล้วมันไม่แน่ค่ะเพราะว่าหัวใจเหมือนกันนะคะหัวใจตัวเองอเร่เต้นเร็วผิดจังหวนะนะคะก็เป็นสิ่งที่แปลกอ่ะพรอมาเต้นเร็วผิดจังหวะเนี่ยถ้าเป็นหมอจริงๆเนี่ยก็ต้องไปแล้วค่ะไปโรงพยาบาลแล้ว นี่ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปถูกขีดสีใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีเส้นเลือดอุด ต, ตันเพราะอายุขนาดนี้มันต้องอุด ต, ตันแน่นอนก็ต้องใส่สเตนนะ่ะพาใส่สเตนนเสร็จก็ต้องกินยายก็นอนนอนเออไม่ไปดีกว่าแล้วก็จะค่อยๆกลับมาตัว น, นี้เป็นตัวเป็หมอจริงหรไม่จรตกลงตัวเองเนี้ยไม่เคยไปหาหมอล้วก็เลยบอกกับหมอหัวใจว่าบอกเ่านะคะว่ามีอาการอยู่นะ ถ้าฉันไม่มาก็เป็นเพราะฉันไม่มานะเธอไม่ไปมีความผิดอะไรว่าทําไมไม่ดูแลเป็นอย่างนี้พราะไม่มาเองนะครับก็เลยว่าเออมันก็เป็นสิ่งซึ่งแปลกครับว่าตัวเองก็ยังไม่คิดนะว่าธรรมะเนี่ยมันจะรักษาตัวเองได้เด็กมาจริงต้องใช้ธรรมะโอสถหมอจริงต้องใช้ยาโอสถก็มันสิ่งซึ่งแปลกแปลว่าอาการนี่มันรุนแรงนะจริงๆไม่น่าจะอยู่ได้เอะยังอยู่ได้แล้วค่ะอยู่จนเสร็จนะคะ มันท erm ี่เขาเรียกแข่ขันธรมาขันธรามน์ะมาแรงถาขันธ้ได้ถือว่าทุกทีได้การหม้จริงๆก็ไปแล้วเจียวหัวแท้เข้าหัวจริงก็ดูไม่ได้เลยอนาคตนายตัดด้ยจะไป หลักนักมรดการหลวงพ่อมหาเทเรศนะครับพระอาจารย์กรุงเกตพระอาจารย์มอนะครับแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็คณะสงฆ์คณะปฏิบัติธรรม <c oughs> จะเป็นคณะสงฆ์บ <c oughs> ัญชีด้วยนะอ่าก็ก็คร <c oughs> าวนี้นะครับคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยต้องตรองต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างฉุกหลกนะครับด้วยระยะเวลา ต่างๆนะครับแต่ว่าหลวงพ่อนี่หาตัวจับยากนะมาปีละหนเท่านั้นฉะนั้นมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องหาเวลาให้ได้นะครับฉะนั้นคอสเนีอาจะเริ่มต้นฉุกลุกนิดหน่อยในเรื่องของเวลานะครับที่ที่ไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ปัจจุบันนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับให้ตามปัจจุบันซึ่งก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราอยู่กับกับสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันได้นะครับ ทีนี้ของผมเนี่ยในคอร์สนี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติอะไรก็คืออยากที่จะดูแลทุกคนนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานบางคนที่ยังไม่เคยได้เข้าคอร์สนะฮะ ก, ก็อยากให้เข้านะฮะแล้วก็พอมาเข้าแล้วบางคนก็เห็นความสําคัญนะของคอร์สนี้มากๆเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยเข้าคอร์สนี้ แล้วได้มาเข้าคอร์สได้มาเจอธรรมะของพ่อเทียนนะครับแล้วก็ได้อาจารย์พระอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านเนี่ยมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมว่าทุกคนก็ได้สิ่งดีกลับไปพัฒนานจิตใจตัวเองเอในโลกภายนอกนะครับส่วนสำหรับผมเนี่ยในการที่ทำงานไปด้วยมันเลยกลายเป็นการปฏิบัติไปด้วยนะหลวงพ่อครั บ, รบทั้งที่เราก็ไม่ได้อะไรมากมากมาย แต่ด้วยความที่เราอยู่กับปัจจุบันมันทําให้เราเห็นสภาวะทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะตอนขี่จักรยานกลับไปกลับมาร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าต้องรีบเร่งแข่งกับเวลาแต่จิตมันไม่แกว่งมันไม่มันไม่ไปตามเวทนาครับมันมันเป็นแค่อาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือมันเห็นกระบวนการต่างๆเหล่านั้นแล้วจิตมันมันไม่ มันไม่กระทบฮะหรือถ้ากระทบมันรู้เร็วมากมันไวคือมันไวตามตามแรงกระทบแล้วมันก็ดันออกไปเลยคือมันไม่ไม่ไม่ติดค้างอยู่ครับครับปัจจุบันก็คือไม่มีอะไรฮะมันใกล้เกอบจะแล้วนะ <น><น>ผมพาออย่าทำให้ผมสับสนนี่ครับให้ผมตอบถูกบ้างฮะได้ครับคือจะเห็นนะฮะคือถ้าถ้าเริ่มปลูกแต่งจะเห็นทันทีนะฮะมันจะมันขบวนการเร็วมาก แล้วเนี่ยผมผมก็อยากจะบอกทุกคนนะที่ท อ, าอาจจะมาปฏิบัติบ้างหรือไม่ได้ปฏิบัติบ้างหรือบางคนก็ใหม่เนี่ยให้ทาทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนะครับเพราะว่าเนี่ยผมได้เห็นเลยเห็นกันแบบสดๆปัจจุบันทันด่วนเลฮะ ว, ว่าเวลาเราทำงานไปด้วยเนี่ยแล้วเจริญสติไปด้วยเนี่ยมันมันมีกำลังมหาศาลแล้วเราทำได้อย่างไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลย ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกล้าไม่รู้สึกท้อแต่สนุกกับมันด้วยซ้ำแถมยังมีพลังเพิ่มขึ้นอีกฮะใช่แถมยังส่งพลังให้คนอื่นได้ด้วย <c oughs> ครับก็ก็ผมว่ามันมันสคัญฮะมันจําเป็นมากเพราะว่าเวลาเราออกไปสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาแล้วทางอทางวัตถุนิยมเนี่ย มันก็จะคอยดึงให้เราไปสู่สภาวะที่มันต่ํานะครไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์อหรือว่าสภาวะจิตของเราที่มันคล้อยลงต่ําอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ต้องต้องระวังให้ดีเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยคือพอออกไปนอกเราก็ต้องระวังมันต้องมีการระวังตัวนะครับมีการที่คอยสังเกตคอยดูนะฮะสิ่งที่มันมากระทบแล้วก็ไม่คล้อยตามครับ ความรู้สึกตัวฮะความรู้สึกตัวแล้วพอมันเห็นกระบวนการเนี่ยแล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยคือพอมันไปเห็นต้นตอเนี่ยมันตัดทันทีเลยมันตัดของมันเองนะฮะไม่ใช่ว่าเราตัดนะมันตัดของมันเองแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันก็มันก็เป็นปัจจุบันฮะครับครับก็ยังไม่อยากตอบตรงๆฮงครับหลวงพ่อ ค่ะขอขอบพระมศการหลวงพ่อละทุกท่านและเพื่อนการณ์ยาณนิมิตทุกท่านล่ะค่ะม่พ้อมต้งมเม่ดฉีค่ะหนูก็ไม่เคยเลยนะคะหนูเคยแค่ไปถือศีลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูยังไม่เคยมาหนูก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกอะค่ะก็รู้สึกดีอะค่ะทาก็ ก็พยายามอะค่ะบางครั้งก็หลับค่ะแก้ไขก็คือตั้งสติใหม่ค่ะค่ะก็ตั้งใหม่ทำใหม่อะค่ะค่ะค่ะไม่เกค่ะไม่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะทำค่ะก็จะทำแบบนี้จะปฏิบัติแบบนี้ที่บ้านเองก็ค่ะค่ะเห็นค่ะค่ะค่ะ นำมันส ก, การหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านแม่เชและก็นักปฏิบัติธรรมร่วมกันก็ไม่เคยมาเข้าคอรอดนี้แล้วก็ไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะแล้วก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีแต่บางครั้งก็สองวันแรกง่วงมาก <laughs> ง่วงมากพอวันที่สามก็ดีขึ้นแล้วก็ ก็มีฟุ้งเป็นบางครั้งก็ก็ตัดไปได้บางครั้งก็เมื่อยวันแรกๆ ก, กเมื่อยมากแล้วก็กรดิขึ้ น, น, ก, น, น, นก็บรนมาชอวรูบแล้วก็ก็ตัดหายไปเองค่ะค่ะความง่วงก็ก็เปลี่ยนถ้าขยับตั้งใหม่แล้วก็มันก็หายค่ะ ค่ะพอเข้าใจค่ะก็ตอนแรกที่มาเที่ยวที่รีสอร์ทคุณนุชก็ไม่เคยเดินรอบเลยเพราะเดินไม่ไหวพอมาปฏิบัติ หลงพ่อพาเดินรอบก็เลยได้เที่ยวรอบเลยค่ะเลยเดินไหวไปรอบวันนี้เดินสองเที่ยวลืมเสือ้ออ้าวลืมแล้วก็เดินไปเดินมาเดินได้รู้สึกไม่เหนื่อยค่ะก็ดีค่ะค่ะเลยได้เที่ยวทั่ ว, วเลยค่ะ กราบธรรมสการพระอาจารย์มหาดิเลกนะคะแล้วก็พระอาจารย์คมกิจรวมถึงพระสงฆ์ทุกรูปแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อ น, อนกัลยาณิมิต ท, ทุกท่านค่ะ ค, ค, ค่ะสองครั้งค่ะอเออถ้า ความเพียรของการปฏิบัติรู้สึกว่าครั้งแรกมีความเพียรมากกว่าค่ะแล้วก็ได้เห็นปิติค่ะแต่หลังจากนั้นกลับไปบ้านก็ปฏิบัติค่ะออแล้วก็มีความหวังค่ะเพราะว่าในชีวิตคือมีความหวังเรื่องของนิพพานแล้วก็ปรหวังเรื่องปิติหลังจากการปฏิบัติครั้งแรกค่ะแต่ก่อนมาได้ทําความเข้าใจจากกาลยานิมิตกอบนะคะ ก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรหรือไม่ต้องไปหวังอะไรไม่ต้องสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ต้องไปไปมีคําถามสงสัยหรือไม่ต้องมีคําตอบใดๆนะคะก็คือให้แค่รู้สึกตัวอย่างเดียวก่อนมาครั้งนี้ก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ่ะรู้สึกตัวอย่างเดียวแล้วกันอะไรเงี้ยคะ่ะที่สองสาวันแรกเนี่ยก็มีอาการง่วงนะคะแล้วก็รู้ว่าเวลาที่ง่วงหรือเวลาที่คิดหรือจะมี เพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในในความคิดนี่ น, นะคะก็คือว่าให้ตัดโดยชีวิตปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ตัดอะไรเร็วมากเพราะว่าเป็นคนที่รู้เรื่องของทุกสุขผิดชอบชั่วดีมามาออตั้งแต่พอจงความได้หรือว่ามีชีวิตที่ใช้ปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ที่มามุ่งหน้ามาทางนี้อยู่แล้วนะคะเพรา ะ, ะนั้นก็คือจะตัดได้เร็วมากจะไม่จมอยู่กับความทุกขออ์จนพอมาปฏิบัติสองสมวันแรก ก็เห็นทุกคนเข้าไปถามพระอาจารย์คมกิจบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็ก็สงสัยทั้งที่จับไม่สงสัยเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไปถามอะไรกันนะแล้วทําไมเราไม่อยากรู้อะไรกับเขาบ้างเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะเข้าไปคุยแต่ก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรก็เลยเล่าให้ฟังว่าเ อ, อตัวเองมีความคิดยังไงกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ แล้วก็ก็ได้คําตอบมาว่าว่าก็ไม่ต้องไปหวังอะไรจริงๆก็คือให้รู้สึกตัวแบบสบายๆนะคะจนวันหนึ่งที่มาทราบว่าโอเคเดี๋ยวเวลาตัดเนี่ยก็คือตัดตัดเร็วแต่มีที่พระอาจารย์มหาดิเลกไปที่วัดอะคะ่ะและพระอาจารย์มานั่งวาดเป็นแผนผังให้ดูว่าแบบเรารู้สึกตัวอยู่อีกอันหนึ่งแล้วก็มีเอ่อความคิดหรืออะไรก็ตามที่เป็นการปรุงแต่งอีกฝั่งหนึ่ง แต่จริงๆเราตัวมออีตรงกลางเป็นตัวรู้ซึ่งตอนนั้นมันทําให้แบบว่ากระจ่างมากเพราะว่าโดยปกติแล้วปอนเนี่ยเป็นคนตัดเร็วเพราะฉะนั้นจะตัด ๆ, ๆัโดยที่ไม่รู้ค่ะโดยที่แบบเขาเรู้สึกตัดตัดตัดเลยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเราควรจะรู้จักมันก่อนเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันเดินไปได้ด้วยสติที่ที่ชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแลณวันนี้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าความกระจา่างหรือความเข้าใจกับรอบนี้เนี่ย เข้าใจมากขึ้นแต่ความเพียรเนี่ยน้อยกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ไม่มีข้ออ้างใดๆรู้แต่ว่าคือมันอาจจะมีอะไรก็ตามที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นถ้าเราจะเพียรสัอย่างเนี่ยมัน ก, ก็ควรจะทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนรู้ในะวันนี้เนี่ยเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติหรือว่าจเจริญจิตสติภาวนาอย่างไรด้วยวิธีแบบไหนเข้าใจแล้วก็รู้แต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้อง ไปใช้ให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่คือความเพียรค่ะชีวิตประ จ, จเออชีวิตประจำวันโดยปกติ ออถ้าอยู่ที่นี่กับอยู่ที่บ้านปนว่าอยู่ที่บ้านปนจับได้มากกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคือเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองอยู่แล้วค่ะหรือทําธุรกิจที่มันวุ่นวายมากก็ตามปนก็อยู่กับตัวเองค่ะเดินห้างคนมากมายปนก็ไม่เคยสนใจอะไรหรือว่าในชีวิตก็ไม่เคยอยากได้อยากมีหรืออะไรก็คือไม่เคยมองอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันจะจะรู้สึกตัวเองได้ได้ง่ายกว่าแต่วิธีการบางอย่างที่มันหลุดคิด ค, คือคือมันเป็นธุรกิจที่มันจะต้องคิดแต่กระบวนการคิดเนี่ยบนจะคิดเป็นเป็นการจัดการแต่พอหลังจากที่มันมีเรื่องคิดอื่นที่เข้ามาแบบไร้สาระก็จะไม่คิดเลยทีนี้วิธีการเมื่อก่อนเนี่ยจะจะไม่คิดอีกคือตัดเลยแต่ณวันนี้รู้แล้วว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจหรือว่ารู้มันด้วยเพื่อที่จะต่อไปวันที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากนิพผานเนี่ยหรือวันนั้นที่มาถึงเนี้ยค่ะจะได้รู้ว่าเรา เราเราจะทำมันด้วยวิธีไหนแล้วก็คะไม่เคยค่ะแต่ว่ารู้ค่ะคือปอนจะจะชอบเรียนรู้แต่ว่าเป็นคนที่ที่เหมือนกับว่าคือรับอะไรยากอะค่ะคือจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะจะรู้ว่าที่ไหนมีปฏิบัติยังไงวัดไหนอะไรยังไงคือทราบหมด แล้วก็เคยไปบางทีไปแล้วเห็นอะไรวุ่นวายปุ๊บปั๊บก็จะถอยเลยเพราะว่าชอบสงบมันก็เลยมีผลจากการที่ครั้งหนึ่งที่เคยไปบวชชีแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเด็กมากตอนไปบวชชีเนี่ยก็คือยังไม่เคยศึกษาว่าจะมีวัดที่ไหนเขามีการปฏิบัติอย่างไรสอนแบบไรไม่ทราบรู้แต่ว่าฉันอยากสงบก็คือแค่ไปหาวัดสงบสงบบวชค่ะแต่พอก้าวขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตัวเองมีความมุ่ง ม, มุ่งมั่นมากอยากนิพพานเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่มีอะไรอยากได้บนโลกนี้นะคะ แล้วก็พยายามจะพูดแบบอยากให้เจอกันแาณิมิตรอยากให้เจอหนทางสู่นิพพานที่ใช่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค้นหาแล้วก็กับก๊อปนี่ก็คือรู้จักกันมานานมากก๊อบเขาก็จะไปปฏิบัติที่ไหนเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าที่นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ให้พี่ปอนทําอย่างนี้อย่างนี้จนล่าสุดก็คือการปฏิบัติแบบหลวงปู่เทียนนะคะแล้วทําให้รู้สึกว่าพอก๊อบสอนแล้วบอกว่าเฮ้ยมันตรงจริตเรามากเลยอ่ะคือมันใช่เพราะว่าปอนไม่ชอบอะไรที่มันแบบฟุ้งหรือเพอหรือ โทษนะคะคือคือไม่ได้ว่าอะไรแต่เหมือนว่าไปญานุ ญ, ญาณนี่คือคนไม่เข้าใจคือทําไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะแต่พออย่างเงี้ยมันแค่แบบแค่รู้สึกตัวซึ่งมันแบบเฮ้ยมันง่ายแล้วมันก็ใช่จริงจริงมันคืออยู่กับปัจจุบันได้จริงๆในในทุกวินาทีเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคุยกับกอล์ฟว่าพอมีวิธีการนี้เนี่ยก็เลยมีรู้สึกว่าเออพระอาจารย์มาพอดีใช่ไหมคะแล้วมี แล้วสำหรับพี่วินัยกับพี่นุชเนี่ยปอนก็เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่แบบคบกันมานานเป็น20ปีแล้วปอนก็รู้ว่าสถานที่นี้เนี่ยพี่นุชมีเจตนาอะไรแต่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะทีนี้พอคุยออ ก, กับก๊อฟเสร็จก็เลยบอกเฮ้ยกอ๊กอฟก๊อฟจะต้องไปที่ที่หนึ่งซึ่งมันตรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ลองพากอฟมาที่นี่ปรากฏว่าพอพกอกอลฟมาแล้วก็พูดสุว่าเฮ้ยมันโอเคมากแล้ะผ้าจารย์มาพอดีค่ะเมื่อปีที่แล้วก็อบอกเฮ้ยงั้นเราจัดเลยไหมที่นี่มันก็คือเหมือนกับว่าทั้งพี่นุ๊ตกอฟอะไรก็ลงตัวกันหมดก็ประสานงานก็ก็ได้มาเป็นตรงนี้แล้วก็มีครั้งที่สองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ามาที่เร่งไงครับคุณ <laughs> บีนะครับ <laughs> ด, นนดีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือปอนเคยเคยคุยกับกอบ๊อฟตอนนั้นก๊อฟยังปฏิบัติกับหลวงปูส่สวงและที่นี่ก็ปฏิบัติกับหลวงปูส่สวงนะคะ ม, มีหมายถึงว่าพนักงานนะคะก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก๊อฟก็ปฏิบัติหลวงปู่สวงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาจัดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ลงตัวค่ะจนวันหนึ่งที่ ท, ท, ที่มาพูดถึงหลวงปู่เทียนนี่แหละค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันรู้สึกว่า อาจจะเป็นเพราะตัวเองด้วยว่าอยากปฏิบัติสายนี้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดทุกอย่างให้แบบว่าเฮ้ยต้องมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะงานสายที่เพราะว่าถรจรายงานมานี่ลูกมีใครเองนี้นิพานนี้ก่อนเอ่ยถึงเานี่คือไม่ได้หวังค่ะคือคือเมื่อก่อนอาจจะหวังนะคะแต่ณวันนี้ไม่หวังแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่หวังปิติด้วยค่ะไม่หวังอะไรเลยค่ะขอแบบ รู้สึกตัวแบบสบายๆกับปัจจุบันอย่างเดียวค่ะ<ม>ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรค่ะครับครับสวัสดีหลวงพ่อและพระสงฆ์ทุ ก, กครับและกระายาณิมิต ท, ทุกท่าน<ม>และแม่ชี<ม>ชื่อเชนครับชเชน ช่อจริงชีอเชนครับก็ไม่เคยมาปฏิบัติธรรมเลยครับก็มาวันแรกก็เข้าไปที่เขาเรียกเข้าไปในห้องอบลมที่ข้างล่างเ็คิดด้วยเข้าไปเราเข้าไปกันทำไมเนี่ย ทำม ja like ือยุกยิกยุกยิกนี่ทำอะไรกันเนี่ยก็ไม่เคยรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงก็อยู่ทางบ้านก็ได้แต่ไปทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีทางอยู่ประจวบครับครับอีกอย่างก็เป็นคนที่ไม่ค่ยชอบพูดใหม่นะะอายเสียงตัวเองครับเพราะส่วนมากเพราะว่าถ้า เห็นว่าให้สัมภาษณ์แต่ละคนชนมากก็จะหนีไปทุกที่ครับเขาไม่เคยกี่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าจะนั่งดีหรือไม่ดีกันี่เอ้มาว่ก็มาวันแรกที่ผมมาวันแรกก็มาปฏิบัติธรรมตอนเช้าที่นั่งอยู่บนขบวนที่หลวงพ่อไปตะกิดตะกิดแล้วก็ให้ทํามือว่าจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับ ผมก็ยังว่าก็ยังไม่เข้าใจครับแล้วก็ช่วงสักพักผมก็ลุกขึ้นเดินแบบที่เขาเดินกันก็ไม่รู้ว่าก็เดินอะไรกันก็เดินลองเดินดูมั่งเพราะก็ไม่ไม่เคยเลยสักครั้งเดียวครับแต่หลวงพ่อก็ไปตะ ก, กิดข้างลาง่างอีูแล้วครับแล้วก็ให้เดินอย่างนี้ให้หมองให้ให้เดินหมองช่องระหว่างสิบเก้าแล้วก็เดินอย่างนี้ก็ไม่อย่างไม่เข้าใจแล้วก็ อาจารย์ก็ที่ที่ข้างในข้างล่างเขาก็ไปฝึกให้เดินว่าต้องเดินอย่างนี้อย่างงี้จิตใจต้องคิดอย่างงี้แล้วมาผมก็แปลหนังสือของหลวงพ่อพุทเทนมาอ่านนะการวางมือวางอะไรต้องทําท่ายัางไงก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆผมเป็นคนใจร้อนแล้วก็ไม่ค่ยชอบอะไรที่มัน รู้สึกว่าตอนนี้ก็จิตใจก็ดีขึ้นมั่นคงรู้สึกคิดอะไรก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีๆครับครับ ม, มาครับ <_ ull ing> เพราะว <_ ull ing> ่าคุณที่ที่มานี่ก็คุณึก็ก็ <_ ull ing> ให้มาบอกมากอโล่วงหน้าตั้งนานยังไงก็ต้องมาเนะยไม่มาไม่ได้ <_ ull ing> เพราะที่นี่ผมมาประจําอยู่แล้วครับ <_ ull ing> ครับ เป็นไงก็ผมอะครับก็ผมมาที่นี่ได้ก็คงจะต้อง หมอฟอนทิปและเครับครับผมโทรโทรติดตามมาหลายรอบมากครับก็คือตัวผมเองเนี่ยครับเอ่อกลับน้อสกาหลวงพ่อนะครับแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านครับแล้วก็แม่ชีแล้วก็พึ่งพระอาจารยิทุท่านด้วยครับก็ตัวตัวผมเองเอ่อคือได้ยินได้ฟังของหลวงพ่อเทียนเนี่ยครับ มาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ไม่ได้ปฏิบัติถึงอยู่ใกล้ชิดยังไงก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้ทาจริงจังสักทีหนึ่งครับมาครั้งนี้ช่วงแรกรู้สึกรู้สึกเขาเรียกอะไระครับงงกับตัวเองมากครับว่าว่าสิ่งที่เคยรู้มากับสิ่งที่ที่ต้องมาทําจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเหมือนกันครับ ออตอนที่ไปเดินจงกรมที่ไปปฏิบัติที่วัดทั้งสองวันครับสองวันนั้นผมรู้สึกว่าเป็นสองวันที่ผมทำได้ดีที่สุดครับแล้วก็คิดไปเองว่าเหมือนจะได้อารมณ์วั น, น <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็พอมาวันที่สามมาที่นี่ทุกอย่างนกระจายหายไปหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับทั้งแดดร้อนแดดเผา <c oughs> ตัวเองสังขาร อ่อนครับตอนนี้ดีขึ้นดีดีขึ้นแล้วครับใช่ครับแล้วก่อนหน้าที่เคยทําแบบนั้นบ้างไหมเออยาจะบอกว่าเคยทําำเลยครับเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเออให้ดูจิตดูใจดูกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับก็พยายามทําอยู่ครับแล้วก็มีคุณอาที่รู้จักเขาก็ช่วยสั่งสอนติดเตียนมาอะไรเงี้ยครับแลนี้เคยทําแบบอะไรครับเคยทาแบบหลวงพอพัมมอดมั ครั <c oughs> ขบข อ, บ อ, ขอบหลวงพ่อครับไม่เคยครับ <c oughs> แต่ว่าผมก็จะกราบหลวงพ่อประโมทเดือนละสองครั้งทุกตลอดนะครับครับ ว, วิธีการปฏิบัติที่ต้องเออทองหลวงพ่อครับก็คือจะให้ดูกายเคลื่อนไหวดูจิตเปลี่ยนไปจิตหนีไปคิดจิตเอจิตหนีไปคิดรู้กายเคลื่อนรู้ครับเอแต่ผมตัวผมเองทําผิดวิธีของท่านนะครับผมลงไปอยู่กับจิต คือจิตนีรู้จิตนีรู้จนตัวเองหลงไปอยู่ในจิตแล้วอย่างเงี้ยครับสมบอตว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้จนมาที่นี่ถึงได้รู้ว่าว่าตัวนั้นสติยังไม่เข้มแข็งยังไม่สามารถจะไปดูจิตได้จะต้องกลับมาที่ฐานกาย<ม>เพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องกายก่อนให้กายเข้มแข็งสติเข้มแข็งแล้วค่อยลงไปดูฐานจิต<ม>ขอรับ<ม>ขอรับสติจับหลักได้ครับ ดีขึ้นแลครับจะสางสองส่วนดูกาเคลนไวดูใจคิดฟ้องมันไปได้เลยด้วยจะดูมีส่วนเออคือผมไม่ดูจิตนานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทัดจิตนีไปคิดรู้จิตนีไปคิดรู้เนี่ยครับ อ, อช่วงสองวันที่ผมรอยฟังว่าไปที่วัดแล้วรู้สึกว่าดีมากครับเพราะผมสามารถคอนบคุมจิตได้แล้วก็หลงว่าตัวเองแบบว่าโอเคทําให้จิตสงบได้แต่พอมาวันที่สามเนี่ย เออมันไม่เที่ยงอะครับมันไม่สามารถบังคับอะไรได้ก็เขาก็แสดงให้ผมเห็นว่ามันขําบังคับไปได้ผมก็พยายามต่อสู้เขาจนชีวิตจะหาไม่เขาผมแล้วก็แพ้อย่างชิ่นสิ้นเชิง <laughs> แพ้ทุกประตูอะอ <laughs> โอ้ย <laughs> ถ้าเพื่อนๆได้เย็นเราละก็ทำก็เออเวทนาก่อนอย่างแรกเลยครับ ที่ผมไปอยู่ตรงโน้นเอ่อก็เอ่ออาจารย์บอกว่าให้ดูร้อนรู้เย็นรู้แข็งรู้อ่อนรู้อ่าผมก็ไปเดินเดินจงกรมแดดสองเท้าร้อนรู้แดดสองขาร้อนรู้แดดสองตัวร้อนรู้แดดสองหัวไม่รู้ละ ไปเลไปครับแล้วหลังจากนั้นก็กระเจิงจิตกระเจิงทุกอย่างกระเจิงหมดครับจนถึงตกเย็นตกบ่ายผมไปที่ริมน้ํำครับผมก็พยายามบังคับจิตให้บอกกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยครับอย่าไปไหนมากเพราะว่าพอพอเห็นปุ๊บตัดมันเกิดทันทีเลยครับเห็นต้นเหนื่อยครับเห็นตัดตัดตัดตัดตัดมันเรืองไปตัดตรงไหนครับมันมันไม่มีที่จะให้ตัดแล้วครับมันเยอะมากครับไม่ตัดไม่ทันใช่ครับจนบอกว่าต้อง เอาเอาจิตเนี่ยครับผเข้าเข้ามาหยดกายพยายามให้กายช้าที่สุดให้บจะได้มองกายให้เห็นนะครับแต่มันพยายามเลยก็ทำไม่ได้จนโกรธตัวเองพอ <c oughs> โกรธตัวเองโมหะเกิด <c oughs> โกรธตัวเองก็ <c oughs> เอาวะ <c oughs> เลิกดดีกว่าถ้า ถ้าเท่าวันนั้นมีรถกลับผมก็คงจะกลับแล้วล่ะครับตั้มเต็มที่เลยใช่ครับหลวงพ่ออมรเขาบอกว่ายังไงให้ให้ให้ลองเคลื่อนไหวช้าๆดูเพื่อที่จะบอกจังหวัะเกิดมันจะได้ดีขึ้นอย่าเงี้ยครับผมก็เออผมก็ลองลองทําดูก็ก็ก็ก็ก็ดีขึ้นจริงๆครับถ้าถ้าใจผมเอเป็นกลางนะครับเอพอกลับมาดูที่ฐานกายเนี่ยพอกายเคลื่อนไหวเนี้ย พอจิตหนีไปรู้เนี่ยแล้วก็กลับมาที่ฐานกายทันทีเนี่ยอย่า ง, ง น, นั้นสบายสบายกว่าเยอะเลยครั บ, <อ>รบเช่มนยอยู่ในฐานใจที่ปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเยอะครับก็ ไ, ไปไล่ไปคู่ความคิดใช่ครับผมก็งงว่าทไมผมเหนื่อยมานอนตลอดเลยรับ <c oughs> เรียนพระอาจารย์ทุกท่านนะครับทุกรูปนะครับแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆนทุกท่านนะครับก็ อ, อผมอาจจะคล้ายๆเพื่อนเอนหลายๆคนที่ที่มาปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่วันแรกเนี่ต้องขอขอบคุณเ อ, อเป็นพิเศษอาจารย์ก็เหมือนกันครับที่ที่เรียกเข้าไปทําความเข้าใจก่อนว่าเคลื่อนมืออย่างนี้นะแล้วก็เดินจงกรมอย่างนี้นะลักษณะแบบนี้ ก็โอเคเช้าวันรุ่งขึ้นก็เริ่มปฏิบัติเลยนะฮะก็ยอมรับว่ามีความง่วงเหมือนกับไปหลายท่านนะครับวันแรกๆนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทำเต็มที่ไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วปกติผมเป็นคนค่อนข้างคิดมากจะตรงข้ามกับคุณปอนที่เขาจะตัดเองผมผมเนี่ยจะคิดตลอดมันอาจจะเกี่ยวกับลักษณะงานด้วยะฮะก็คิดไปเรื่อย คิดไปคิดไปไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มือก็ยกไปเรื่อยๆนะฮะจนวันที่สามจนวันที่สามเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยผมก็ยกมือไปยกมือมาเนี่ยความคิดมันก็ดับเองคือมันดับจากการที่ยกมือนี่แหละฮะแต่การยกมือเนี่ยมันมีสิบสี่จังหวะผมลองสังเกตคร่าวๆ เ, เนี่ยประมาณหกเจ็ดจังหวะที่มันจะ ช่วยทำให้ความคิดมันหายไปผมก็รู้สึกดีใจพอรู้สึกดีใจมันก็ตัดอีกพอพูดตัวเองมันก็ตัดอีกมันก็รู้สึกเริ่มสนุกคนะ่ะมันก็ก็ลองลองลองทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่พอพอตั้งใจทามันมันก็จะจะไม่จะไม่เกิดเท่าไหร่ฮะเป็นแบบนี้ฮะก็พอวันที่สี่ ตอนนี้เนี่ยก็เลยเอาลองความรู้สึกนั้นเนี่ยมาใช้กับที่เท้าอาา่ะฮะมันก็มีความรู้สึกเดียวกันแหละฮะที่เท้าตอนนี้ก็เลยสนุกครับก็เลยเดินด้วยอารมณ์นั้นนะฮะก็คือเอ่ยย่างขาซ้ายกับขากวาเนี่ยความรู้สึกเอ่อคีิปเลยความคิดจะถูกตัดไปเองจนวันที่ห้าตอนนี้เริ่มแอปพลายกับการเคี้วอาหานะครับมันก็ตัดเหมือนกันครับ ก็เออมันก็รู้สึกสนุกนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็พาอาจารย์หลายหลายหลายรูปะครับก็แนะนำดีมากๆเลยฮะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเยอะฮะก็เลยเห็นกระบวนการว่าเอ้ตอนเนี้ย ความคิดนี่มันถูกตัดอย่างนี้นี่เองเราไม่เพราะว่าหลายครั้งในอดีตเนี่ยเราอยากจะสลัดความคิดมันสลัดไม่ได้มันจะตามไปหลอกไปหลอนอันนี้มันมันตัดเองอะครับมันตัดแบบเราไม่ได้จงใจตัดมันก็ตัดเองอะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับแล้วก็รู้สึกว่าการกระทําแบบนี้มัน พอทำทำไปมันรู้สึกเหมือนเป็นเรียลไทม์ครับก็คือณเวลาขณะหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเวลาใหม่เสมออันนี้คิดเองในใจนะครับมันมันเป็นความรู้สึกกันนะฮะก็คิดคิดว่ามีแค่นี้ครับผมก็เคยฟังของหลวงพ่อปลายโมตาโมทนะครับผมเพราะคุณคุณแม่เนี่ยเขาเขาปฏิบัตินะครับแล้วแฟนก็ ฟังหลวงพ่อปามโมโนดมาแต่ผมเองเนี่ยฟังแล้วเนี่ยตามดูจิตเนี่ยผมผมไม่เข้าใจว่ามันมันตามแล้วมันมันตามยังไงนะครับเพราะว่ามันหลวงพ่อก็บอกว่าให้รู้เฉยๆแต่พอถ้าเราจงใจไปตามเนี่ยมันก็มันก็คือเหมือนจงใจมันก็ไม่รู้ละมันก็เป็นรูปประธรรมยากอะฮะจนหลวงพ่อปามโนดเขาเขารีเฟอร์ถึงหลวงพ่อเทียนนะครับเอาเลยก็เลย ค้นเสิร์ชยูทูบดูครับแล้วก็คิด Google เข้าเว็บก็เจอไม่เจอหลวงพ่อทีนเะจอเว็บหลวงพ่อครับเจอเว็บหลวงพ่อเป็นเป็นเว็บแรกนะครับเพราะว่าคุณคุณคุณนุยที่ไหมครับ mm hmm. เขาเขาไปเขาไปเอ่อโพสเอาไว้นะฮะครับผมต้องขอขอบพระคุณยิงๆอีกครั้งนะครับ mm hmm. ครับ ะคะ่ะเอ่อแต่เดิมที่โยมปฏิบัติมาก็คืออานาปานสติแล้วก็ดูจิตไปด้วยควบคู่กันแต่ว่ามาที่นี่ก็ได้รับความเมตตานะคะได้วิหารธรรมใหม่ในการปฏิบัติโยมก็ตั้งใจคิดว่าตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติที่นี่ค่ะโยมจะลองตั้งใจดูว่าจะปฏิบัติโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวอย่างเดียวเราถ้า รู้จิตรู้อารมณ์ก็ก็รู้ไปตามนั้นคือช่วงที่มาอยู่ที่เนี่ยคะ่ะยมก็รู้สึกว่าโอ้มันก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันคือเราไม่เคยปฏิบัตินานขนาดเนี้นะเจ้าคะ่ะแต่ก็ได้รับ ความเข้าใจใหม่อีกเหมือนกันว่าการปฏิบัติเนี่ยคือวันที่ไปยโยคะวันแรกอะเจ้าค่ะการปฏิบัติถึงเราจะเอาจริงเราจังแต่ว่าเราก็ต้องเมตตากับกายของเราด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้ากายมันตึงไปมันก็ไม่บรรลุสิ่งที่เราต้องการหมายถึงว่าใจมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งหรือว่ามันทรมานเกินไปที่อาจารย์สอนบอกว่า อย่าให้เวทนาทะลุถึงจิตโยมก็เอาไปใช้ปฏิบัติเจ้าค่ะกอบเมตตากับตัวเองมากขึ้นเจ้าค่ะ เออ ท, ทันทันผูกัเจ้าค่ะแล้วก็เออจริงๆแล้วพอโยมกลับบ้านไปโยมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเวทนาทางจิตด้วยเจ้าค่ะเออจริงๆเวทนาทางกายโยมค่อนข้างจะเป็นกางกับเวทนาทางกายได้ระดับหนึ่งตั้งแต่ออกจากที่นี่ไปนะเจ้าค่ะแต่เวทนาทางจิตเนี่ยโยมยังมีโรสักกับเขาอยู่คือไม่เป็นการอยู่ ทั้งความสุขความทูกเนี่ยยมจะรู้สึกมันเป็นพาละหนักอยู่ที่จิตเนี่ยเจ้าค่ะยมก็เลยดูอ๋อนี่ไม่ทันแล้วนี่มันไม่เป็นกลางกับมันมันก็เป็นแค่สภาวะนี่ค่ะยมก็ค่อยๆดูแล้วก็วันถัดมายมไปทำงานใช่ไหมเจ้าค่ะอ ะ, อะไรเกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจทั้งอายตนะยมก็พยายาม ก, ก็ได้ผลเยอะเจ้าค่ะ ทันเจ้าคะ่ะทำต่อเจ้าคะ่ะนั่งรถไปกรุงเทพยมก็ทำไปตลอดเลยเจ้าคะ่ะขอบคุณเจ้าคะ่ะขอบคุณอ า, อาจารย์ทุกรูปแม่ชีแล้วก็เพื่อนกระยาณมิตรกระยาณธรรมทุกคนด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ ก็ปรากฏว่าตอนนี้โยมปมได้ข่าวว่าใจไปก่อนเพื่อนเลยตอนนี้ไม่อีงงานนะทุกคนงานออกมายิ่งไปไกลกว่ายกอีกหลายชั่วโมงนะ เ, เล อ, เอามา ก็คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราได้แสดงถึงว่าเราตั้งใจทําที่นี่การแสดงออกทางวาจีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนของกายกรรมและมนโนกรรมซึ่งฟังแต่ละคนก็ไม่ติดขัดไหลลื่นแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงไม่มีอะไรปรุงแต่งมากนะักอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่สัมผัสได้แต่ผลที่ ต้องการมากที่สุดก็คือสามารถนำเอาความรู้สึกส่วนตัวส่วนเนี้ยไปแอพพลายใช้ในชีวิตวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่คุณโยงว่าเนี่ยให้มันเป็นเรียลไทม์ time, คือเป็นเวลาจริงๆทุกขณะนะเป็นเวลาใหม่ทุกๆขณะเป็นเวลาใหม่ทุกๆขณะหมายถึงเรียลไทม์ time. เวลาของที่มันได้สัมผัสเวลานั้นจริงๆไงนะขณะนี้ยมป้อไม่ได้สัมผัสกับตั ว, ตวเองเลยนะใจมันไปอยู่ที่เซนเช็คเรียลร้อยแล้วนะมันเป็นอนาคตตะทามไปแล้วไม่ไม่ได้มไม่เป็นเรียลทามแล้วเป็นฟูเชอทไปแล้วนะเดีขอให้เรียกขวนขวนกลับมานะเพราะฉะนั้นเองก็ อันนี้คือชีวิตจริงของเราจะมีอะไรขับอะไรบังคับเราอยู่เบื้องหลังตลอดนะเะนั้นก็ความคิดของเราเองนั่นแหละหลอกให้เราเองเขาพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นในจุดนี้ก็ขอบูราสาธุในความตั้งใจของทุกคนที่ได้พยายามถ่ายทอดประสบการณ์และแชร์แบ่งปันในส่วนที่เราสามารถจะให้กันได้ก็คือด้วยวชีกรรมแล้วก็ในส่วนนี้ก็ขอให้เราได้ตั้งใจนาไปปฏิบัติ และส่วนที่จะทำต่อไปที่โคใครพูดถึงเช้าว่าเราจะทำอะไรนะขมากรรมเหรอเอรวจะเริ่มต้นอย่างไรคุณป่อคุณพ่อพ่ อ, อ, อ, อลบถึงไม่ใช่เหรออ่าอ่อาถ้อะไรต่ อ, อลืมไปแล้ว <luckily> ต้องให้อาจา ร, รย์คุมกิดพานำ ถ้าพาหนมก็ไม่ใช่ความรู้สึกของเราสิมันไม่จําเป็นต้องใช้บาลีก็ได้นี่โดยไกลก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีจีบเว่อร์กับพรเจ้าทั้งหลายจะได้ประมาทก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีกายวาจาใจก็ดีถ้าได้ล่วงเกินนั่นะคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนแล้วเราก็กล่าวให้พระนม อ็ชงเองกินเองเหมือนสังฆทานเกินไม่เข้าหลงเอาโยมป้อมนั่นแหละท่านใดท่าหนึ่งนะยิ่งเรียบยิ่งนะโยมเรีดก็ได้มามา ที่ได้ติดภาพลังไฟทั้งกายวาจาใจทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอท่านจงโสดเมตต า, าให้อภัยแก่พวกเราด้วยเถิด <c oughs> อา่ารับของชำรวยนะหนังสือซีดีใครได้แล้วก็เอามาคืนนะ ถ, ถ้ามีอยู่แล้วนะต่อแถวกันนะต่อแถวม า, มาเรียงแถวทางนี้นะจะได้ถ่ายภาพสวยๆมาต่อ มาต่อแถวด้านด้านหน้าพระอาจารย์เดี๋ยวค่อยถ่ายร่วมกันเดี๋ยวรับของช้วยก่อนนะ <c oughs> นั่งซื้อซีดีก็ดีถ้าเกิดเราเอาไปแล้วอ่านจบแล้วหรือว่าฟังจบแล้วก็เอาไปให้เพื่อนคนที่สนใจต่อก็ได้นะหรือเอาไปก๊อปปี้ไปคัดลอก แจกจ่ายต่อกันก็ได้นะสำหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาเราก็ไปช่วยเหลือเขาสำหรับคนที่สนใจนะแล้วก็ไปแนะนำบอกต่อกันไปเรื่อยนะถ้ามีโอกาสก็ชวนเขามาปฏิบัติหรือไปที่คอร์สที่เราจัดต่างที่ต่างๆนะ เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพหมูร่วมกันก่อนนะค mm hmm. งจะแยกย้า ย, ยพร้อมกันเนาะรับของชุมวยเสร็จแล้วก็มานั่งเอาเสือมานั่งตรงหน้าหลวงพ่อนี่นะหลวง่อใจจะขาวเลยนะเอาเสือมันปูนั่งตรงข้างหน้าพระหน้าหลวงพ่อแล้วก็อไปนั่งตรงนั้นนะจะได้เป็นภาพที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยมาเออ เอานั่ ง, น, งนั่งเป็นแถวดีๆนั่งเรียงแถวสวยๆนะภาพออกมาจะได้สวยไปลงอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เฟซบุ๊กนะ <c oughs> ไปไปนั่งน่งนั่งนัลง นั่งหน้าหลวงพ่อนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพระจะไปนั่งตรงนั้นนะนั่งนั่งหน้าหลวงพ่อนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพระเราจะไปนั่งตรงนั้นนะนั่งแถวหลังนี้ต้องคุกเข่าขึ้นนะแถวหน้าก็นั่งทับซ้น <c oughs> แถวหลังนั่งท่าเทพบุตรุนะแถวหลังแถวหน้าก็เป็นเทพธิดาใหนั่ง นั่งให้ฝ่าเท้าลาบกับพื้นนะแถวแถวหน้าจะได้ไม่บังหรือว่าแถวหลังก็ยื่นเข่าก็ได้นะแถวหลังที่แจกมาได้แจกหนึ่ง เอาเอาย้อมหลีเท่ามาเอานังทุกคนตอนสมองกันดมอข้นี้เอาย้อมแจ้งลุกขึ้นยืนหน่อยแจ้งอยู่ข้างหลังเพื่อนเดี๋ยวจะมืดเออเอาละเอาพยายามลดว่าไม่เร็วโอไม่เข้า พูดว่ารู้สึกเธอแล้วยิ้มเลยนะครับไม่ต้องรับถ่ายไปเลยเออเดี๋ยวนเสียเชียวอ้าวเน้อเนื้นเน้เดี๋ยวคุณเนื้อนี่เดี๋ยวคุณเนื้อตุ๋นรอบ ไรู้สึกตัวละไม่รู้สึกใจนะครับรู้สึกใจต้องครับเดี๋ยวอีกลองหนอก็อันนี้สำเร็จเลยมันจะรู้สึกอะไรรู้ไหมครับตรงกลางตรงกลางตรงกลาง ถ่ายก็ไม่แน่ใจถ่ายจนถ่ายจนไม่ยิ้มอ่ะเขา่ายจนยิ้มไม่ยิ้มไม่ได้ายนดแล้วนะเป็นี่สเร็จไปโมเดหนตุนเลยตรงนี้ยไป่เลย กำแพงเริ่มเริ่มเริ่มเก็บเครื่องมือเครื่องไมโครโฟนนะ